คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาโดยสุชีปุญญานุภาพเรื่องการสอนให้สู้นาความจริงและสอนตรงไปตรงมาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอนลัดตัดตรงเข้าหาความจริงให้สู้นากับความจริงเช่นในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแล้วให้หาประโยชน์จากความจริงนั้นให้ได้ รวมทั้งสอนอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องเลิกยามน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นและการสอนที่เป็นเทวดาได้ในชีวิตนี้โดยไม่ต้องรอให้ตายสะก่อนโดยชี้ไปที่ความประพฤติปฏิบัติว่าทาคนที่เป็นเทวดาได้การสอนลัดตัดตรงเข้าหาความจริงนั้นกล่าวอีกจำนวนหนึ่งก็คือการสอนอย่างตรงไปตรงมาการกล้าพูดความจริงอย่างเปิดเผยนั่นเอง ท่านผู้อ่านที่ได้ผ่านเรื่องการเลิกแบ่งวันลนะคงจําได้ว่าพวกพราหมณ์สั่งสอนกันว่าตนเป็นพวกประเสริฐเกิดจากปากลมแต่พระพุทธเจ้ากล้าตรัสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกพราหมณ์ก็เกิดจากมารดาและคลอดออกทางช่องคลอดจะไหนจะว่าวิเศษกว่าคนประเภทอื่นความดีเลวจึงไม่ใช่อยู่ที่ชาติชั้นวันลนะหากอยู่ที่การกระทําและความประพฤติต่างหาก คราวนี้จึงมาถึงปัญหาเรื่องการพูดความจริงขึ้นชื่อว่าความจริงแล้วจะต้องพูดกันอย่างไม่มีจำกัดอะไรเลยหรือเพื่อซ้อมความเข้าใจไว้เบื้องแรกก่อนจึงจะขอยกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันว่าด้วยการกล่าวความจริงมาเป็นแนวพิจารณาในที่นี้ข้อที่หนึ่งในติกานิบาตอังคุตรานิกายสุตันตปิฎกเล่มยี่สิบ พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีถูกความโลภความคิดประทุษร้ายและความหลงครอบงำย่อมเป็นกาลรรวาทีคือผู้กล่าวถูกการภูตวาทีกล่าวความจริงอัตตวาทีกล่าวเป็นประโยชน์ธรรมวาทีกล่าวเป็นธรรมวินัยาวาทีกล่าวเป็นวินัยในพระพุทธภาษิตนี้ แสดงองค์ประกอบในการกล่าวถ้อยคำาี่นับว่าดีว่หลายประการคือกล่าวถูกการไม่ใช่พูดพร่าเพรือ่อกล่าวความจริงและกล่าวคําเป็นประโยชน์คือคําจริงที่จะกล่าวนั้นถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวนอกจากจะกล่าวให้ถูกการถูกตามความจริงและมีประโยชน์แล้วยังควรให้อิงทำอิงวินัยด้วยทำกับวินัยที่มาคู่กันเช่นนี้ ก็คลายกับคําว่าศีลธรรมศีลหมายถึงการเว้นความชั่วธรรมหรือธรรมะหมายถึงประพฤติความดีธรรมที่มาคู่กับวินัยหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความปลูกฝังความดีและชําระจิตใจให้สะอาดวินัยหมายถึงการเว้นความชั่วทางกายวาจาใจตลอดจนจัร ญ, ญามารยาทต่ทางๆ จึงเป็นอันเข้าใจได้ว่าการพูดความจริงนั้นไม่ใช่พูดส่งส่งไปโดยไม่มีความหมายจะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะอิงประโยชน์อิงธรรมอิงวินัยจึงจะนับว่าเป็นความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ 2. ออีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบอภัยราชกุมาร ปรากฏในมาชิมานิกายมาชิมปันนาตสุตันตาปิดกเล่มสิบสาดูก่อนราชกุมารตถาคตรู้ว่าวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นจะถูกใจชอบใจคนอื่นหรือไม่ถูกใจก็ตามตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นแต่วาจาใดตถาคตรู้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ วาจานั้นจะถูกใจชอบใจคนอื่นหรือไม่ก็ตามตถาคตย่อมรู้การเวลาที่จะกล่าววาจานั้นเพราะมีความอนุเคราะห์ในสัตว์ทั้งหลายข้อความที่เก็บมาจากพระสุตตันตปิฎกโดยย่อนี้แสดงว่าถ้าถ้อยคำที่จะกล่าวเป็นเรื่องไม่จริงไม่มีประโยชน์แล้วจะชอบใจใครหรือไม่ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ยอมรัสถ้อยคานั้น แต่ถ้าเป็นคําจริงและมีประโยชน์แล้วก็มิใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสพร่ําเพื่อพระองค์จะทรงพิจารณาการละเทสะที่สมควรก่อนแล้วจึงตรัสวาจานั้นถ้าเป็นการละเทสะอันสมควรแล้วแม้บางคนจะไม่ชอบพระองค์ก็คงตรัสเพราะทรงมุ่งประโยชน์มุ่งอนุเคราะหสัตว์เป็นที่ตั้งเมื่อได้ซ้อมความเข้าใจกันอย่างนี้แล้ว ก็สะดวกที่เราจะได้พิจารณาการแสดงธรรมอย่างตัดตรงเข้าหาความจริงของพระพุทธเจ้าในข้ออื่นๆซึ่งนับได้ว่าเป็นการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาต่อไปการกล้าสู้หน้าความจริงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคนธรรมดาทั่วไป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 จะไม่ไม่พูดหรือไม่มองถึงเรื่องที่จะให้เกิดความสบายใจให้เรื่นเริงผาสุขจะมานั่งจับเจาเศร้าโศกนึกแต่เรื่องทุกๆร้อนๆให้เปลืองเวลาอยู่ทำไมทั้งเป็นการทำจิตใจให้หดหูไปเปล่าๆความข้อนี้ควรจะได้พิจารณากันโดยรอบครอบและในทางที่เกิดประโยชน์เป็นประเด็นประเด็นไปถ้าเราจะไม่ยอมพูดเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย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 ไม่ใช่เป็นการมองในแง่ร้ายแต่เป็นการศึกษาให้รู้จักความจริงเพื่อหาประโยชน์แห่งชีวิตจากเรื่องที่มองให้ได้เท่านั้นเหตุนี้การที่บางท่านอธิบายหลกักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นสายกลางไม่ใช่สูนิยมหรือออ t i ิมิซึมไม่ใช่ทูนิยมหรือเพสิมิซึมคือไม่ใช่ทั้งมองในแง่ดีทั้งมองในแง่ร้ายจึงนับว่าเป็นคาอธิบายที่ถูกต้อง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 ถึงหลักคำสอนเรื่องเลิกยามเช่นในชาดกสุตตันตปิฎกเล่ม27สบดตรัสไว้ว่าคนเขา่มามักถือเลิกยามอยู่ประโยชน์ย่อมล่วงเลยไปประโยชน์เป็นตัวเริกของประโยชน์ดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้และในพระสุตตันตปิฎกเล่มยี่สิบตรัสไว้ว่าสัตว์ประพฤติสุจริตกายวาจาใจในเวลาเช้าเช้า ว, วันนั้น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 ทำให้วันเวลาในหนึ่งสัปดาห์ไม่กลายเป็นอมภาตไปบางวันสำหรับเว้นการทำนั่นทำนี่หมายเหตุผู้อ่านแต่ก็มีหลายคนที่ลองทำตามคำห้ามนั้นแล้วกลับเจอเรื่องไม่ดีเพราะผลกรรมของเขาเองได้เวลาให้ผลพอดีก็เลยยิ่งเชื่อกันใหญ่ว่าคำห้ามนั้นเป็นคำห้ามที่ถูกต้องและทั้งชีวิต ก็เลยไม่สามารถตัดขาดจากการถือเลิกถือยามนั้นได้เลยในการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ผู้เคร่งทางถือเริก อ, อาจไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าเห็นมีทางประนีประนอมกันได้กล่าวคือพระพุทธศาสนานั้นมีข้อปฏิบัติหลายชั้นถ้าปฏิบัติได้แค่ไหนก็ถือว่าเป็นการกระทำตา ม, ตามความเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัย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 วันประสูตรตรัสรู้นิพพานคือวันวิสาขบูชาก็กลายเป็นวันสําคัญของโลกก้อนดินท่อนไม้โลหะหรือของอื่นๆที่นํามาปั้นแกะสลักหล่อห ล, อ, ลอมเป็นพระพุทธรูปก็กลายเป็นของคนแก่การกราบไหว้บูชาถามว่าอะไรจูงอะไรตอบว่าคุณงามความดีจูงให้ทุกๆอย่างดีไปหมดถ้าเอาคุณงามความดีออกเสีอย่างเดียวอย่างอื่นๆ ก็พลอยหมดความหมายไปด้วยคราวนี้ถ้าเราจะลองเอาเลิกวิสาขะที่พระองค์ประสูดมาจุงอย่างอื่นๆบ้างจะได้หรือไม่ปรากฏในตำ น, นานว่าคนที่เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นมีหลายคนเราก็คงเห็นแล้วว่าเลิกวิสาขะจูงไม่สำเร็จที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกคนหรือเพื่อความยุติธรรม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 ยอมปรุงแต่งคนให้ดีแล้วต่างกันด้วยเหตุนี้เองเราจึงพิจารณาเรื่องปรมลิขิตของพรามเทียบกรรมลิขิตของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นคือพรามถือว่าใครจะดีจะชั่วพระพรหมผู้สร้างโลกได้ลิขิตไว้เสร็จแล้วที่นภ า, ากไม่มีใครแก้ได้นอกจากพระพรหมเองส่วนพระพุทธศาสนาถือว่า ความดีความชั่วที่เราทำซึ่งเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่หละที่เลิขิตชีวิตของเราแต่เพราะเราทำไว้หลายอย่างต่างๆกั น, นบางทีก็ดีบางทีก็ชั่วผลที่ได้รับจึงไม่เหมือนกันและบางครั้งก็สลับซับซ้อนจนเหลือที่จะสาวหาเบื้องต้นที่สุดได้เมื่อ <segue pH. S 1> พิจารณากันถึงรากฐานชั้นในคือกรรมดีกรรมชั่วของคนแล้วผู้เรียนโหราศาสตร์บางคน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 และเป็นที่พึงประสงค์ยิ่งกว่าโดยแท้อาจามีปัญหาเกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งที่ว่าทางพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เชื่อถือโชคลางหรือเลิกยามแต่เหตุไฉนกำหนดการต่างๆทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาค้าบูชาวิสาขาบูชาและวันเข้าพรรษาจึงเนื่องด้วยดาวเลิกทั้ ง, งสิน้น ลราคือวันมาฆ้าบูชากำหนดในวันที่พระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อมักขาวันวิสาขบูชากำหนดในวันที่พระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อวิสาขาและวันเข้าพรรษากำหนดเมื่อพระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่ออาซาลหาล่วงแล้ววันหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จะว่าพระพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับเลิกยามอย่างไรปัญหานี้ถ้ารู้เรื่องวิธีนับวันเดือนปีของอินเดียโบราณแล้วก็จะเข้าใจได้ชัดขึ้นว่ากำหนดการทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปตามปฏิทินโบราณนั่นเองกล่าวคือปฏิทินของอินเดียโบราณไม่มีการพิมพ์เป็นเล่มเป็นแผ่นดังทุกวันนี้แต่ใช้ท้องฟ้าทั้งฟ้าเป็นแผ่นปฏิทินวิธีนับวัน กำหนดด้ João, MTV, them, them, kitchen, วยดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเป็นขึ้นกี่ข่้มแรมกี่ข่้มวิธีกำหนดเดือนแล้วเรียกชื่อเดือนใช้วันพระจันทร์เต็มดวงเป็นหลักพระจันทร์เต็มดวงในเดือนไหนผ่านกลุ่มดาวอะไรก็เรียกชื่อเดือนตามกลุ่มดาวนั้นเช่นพระจันทร์เต็มดวงผ่านกลุ่มดาวชื่อกัติกาก็เรียกเดือนนั้นว่าเดือนกัติกะพระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อมักคา ก็เรียกเดือนนั้นว่ามาคะประจันเต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อวิสาขาก็เรียกเดือนนั้นว่าเวสาขะส่วนวันเข้าพรรษากำหนดตามฤดูที่แบ่งออกเป็นสคือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันรำหนึ่งค่ำเดือนสถึงวันกลางเดือน8รวมสเดือนฤดูฝนกำหนดตั้งแต่วันรำหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันกลางเดือน12รวมสี่เดือน และฤดูหนาวกำหนดตั้งแต่วันรามหนึ่งค่ำเดือนส2องถึงวันกลางเดือนสี่รวมสี่เดือนเช่นเดียวกันการจะรู้กำหนดดังกล่าวก็ต้องดูท้องฟ้าซึ่งเป็นแผ่นปฏิทินใหญ่ว่าดวงจันโคจรไปถึงไหนผ่านกลุ่มดาวอะไรก็กำหนดฤดูเดือนวันได้ตกลงวันมาค้าบูชาวิสาขาบูชาและเข้าพรรษาไม่ใช่เอาดีกันที่ตรงเรนั้ น, น, น แต่อาศัยดาวฤกษ์่ิบกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดปฏิทินเท่านั้นความจริงหลัก3าประการในการกำหนดเดือนคือ 1. ประจันท์เต็มดวง 2. โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ที่เป็นชื่อของเดือน 3. ดีทีนั้นต้องเป็นดีทีที่15นับแต่วันขึ้นหนึ่งข้ามาเราจะเห็นได้ว่า ข้อกำหนดทั้งสามนี้มีคลาดเคลื่อนกันอยู่เสมอเช่นพระจันทร์เต็มดวงแต่ยังไม่เสวยเริกนั้นยังขาดไปอีกหนึ่งเริกหรือดิถีคลาดเคลื่อนไปวันหนึ่งแต่รวมความแล้วก็ถือเอาถูกส่วนมากเป็นประมาณผู้ที่รู้จักถือเอาประโยชน์ก็เพ่งเพียงพอกําหนดเป็นปฏิทินได้ส่วนผู้เข้าใจผิดก็นึกว่าเป็นเรื่องถือเริกยามเพราะเห็นข้อกําหนดว่า พระจันทร์เต็มดวงเข้าเริกนั้นเริกนี้เล่าหรือยังกลายเป็นจะเอาดีกันที่ตรงดาวเริกซึ่งกลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปในครั้งพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบดีว่าการใช้ท้องฟ้าเป็นปฏิทินนั้นอาจมีความเห็นแตกต่างกันได้บ้างในวินัยปิดกพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งข้อกาหนดไว้ในเรื่องวันอุโบสถ วันเปรนาว่าถ้าความเห็นไม่ตรงกันระหว่างพระสงฆ์ฝ่ายอาคันตุกะคือผู้มาอาศัยพักกับพระสงฆ์ฝ่ายเจ้าถิ่นให้ถือเสียงของพระสงฆ์เจ้าถิ่นเป็นประมาณดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวุ่นวานในเรื่องเลิกยามอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรทราบว่าดาวเลือกที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นเพียงสาหรับกาหนดวันเดือนปีเท่านั้น วิธีการคิดปฏิทินแบบนี้มีทั่วไปแม้ในปฏิทินยิวปฏิทินจีนเรียกว่าปฏิทินจันทรคติคือคิดตามวิถีโคจรของดวงจันทร์ในสมัยปัจจุบันกำหนดปฏิทินตามวิธีโคจรของดวงอาทิตย์จึงเรียกว่าปฏิทินสุริยคติผู้เขียนขอกล่าวใจความสำคัญในเรื่องเลิกยาม ตามคติทางพระพุทธศาสนาโดยย่อเพื่อเป็นแนวทำความเข้าใจกันดังนี้ข้อที่หนึ่งทางพระพุทธศาสนาไม่ถือเรื่ยามเป็นสำคัญแต่ถือคุณงามความดีเป็นสำคัญถ้าทำคุณงามความดีในวันเวลาใดวันเวลานั้นก็กลายเป็นเรืองงามยามดีไปข้อที่สอง ทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเิก ง, งามยามดีเป็นตัวจูงให้เกิดความดีงามหรือความสาเร็จผลต่างๆแต่ถือว่าตัวคุณงามความดีเป็นตัวจูงให้เกิดความสาเร็จผลรวมทั้งจูงให้เกิดเลิกดีด้วยยกตัวอย่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงทำคุณงามความดีไว้แม้จะประสูติวันวิสาขะวันนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรแต่เพราะพระองค์ ทรงทําคุณงามความดีไว้ทุกสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์เช่นวันเดือนปีก้อนหินท่อนไม้หรือโลหะที่นำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปก็เลยพลอยเป็นของมีค่าไปด้วยจึงนับได้ว่าคุณงามความดีเป็นตัวจูงสิ่งอื่นๆให้ดีตามข้อที่สามในบางครั้งทางพระพุทธศาสนามีกำหนดการเวลาเนื่องด้วยดาวฤกษ์ ก็ไม่ใช่เพราะติดในเรื่องเลิก ง, งามยามดีแต่เป็นการอาศัยดาวเลิกเป็นปฏิทินตามวิธีการคำนวณของอินเดียโบราณเท่านั้นวันเดือนปีตามกําหนดนั้นมีได้ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาเลยสําคัญที่ผู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างหากที่จะทําให้วันเดือนปีพลอยมีความหมายไปด้วยจากข้อสรุปสมข้อนี้เชื่อว่าจะทําให้ท่านผู้อา่าน เข้าใจความตรงไปตรงมาของพระพุทธศาสนามากขึ้นว่าในศาสนานี้ไม่ได้สอนแฝงความลึกลับอะไรไว้เลยเป็นเรื่องคิดได้หาเหตุผลได้อย่างตรงไปตรงมาทั้งสิน้นและข้อเสนอนี้อาจทำให้ท่านผู้ที่เข้าใจว่าเรื่องกำหนดการทางพระพุทธศาสนาเป็นการติดเลิกยามได้โปรดเข้าใจให้ถูกต้องต่อไปด้วยเพื่อพิจารณาว่าแท้จริงพระพุทธเจ้า สรงมุ่งการปฏิบัติมากกว่าการเถียงกันเรื่องวันเดือนปีอันเคยมีข้อถกเถียงกันมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลมีข้อคนกล่าวไว้ก่อนจะผ่านเรื่องนี้ไปอีกเล็กน้อยก็คือสำหรับท่านที่ยังติดในเรื่องเลิกยามท่านอาจรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะขัดใจท่านอยู่บ้างก็ขอเรียโรโปรดเข้าใจด้วยว่าถ้าท่านยางทิ้งไม่ได้ก็โปรด ถ, ถือของท่านตามสบายต่อไป เพราะไม่เป็นบาปตกนรกอะไรเป็นแต่ย่าถือจนเป็นเหตุให้ตัวท่านเองเดือดร้อนหรือเป็นเหตุเสียการเสียงานและถ้าท่านจะหัดผ่อนคลายการถือลงทีละเล็กละน้อยและหัดใจให้เข้มแข็งขึ้นถึงกับไม่ถือได้เลยในที่สุดก็หมายความว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์แล้วในเรื่องนี้ข้อสาคัญที่ถือคุณงามความดีเป็นหลักเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติจริง ก็จะทำให้จิตใจสบายและเป็นทางสร้างความเจริญได้อย่างถูกตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามคำสอนในพระพุทธศาสนาผู้เขียนเด็กเหล่าแล้วว่ามีหลายขั้นพุทธศาสนิกจึงเลือกปฏิบัติได้ตามความสามารถหรือความสะดวกใจ เรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำมนต์เข้าใจว่าเรื่องน้ำมนต์นี้เป็นเรื่องมีแพร่หลายอยู่ในหลายศาสนาคือศาสนาพราหมณ์คริสต์และพระพุทธศาสนาแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าจุดสำคัญอยู่ที่น้ำมนต์หากอยู่ที่คุณงามความดีการที่ทางพระพุทธศาสนาพลอยมีน้ำมนต์กับเขาไปด้วยนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องโดยตรง แต่เป็นเรื่องโดยอ้อมที่มีเล่าไว้ในหนังสือที่แต่งภายหลังพุทธปริณิพานประมาณ 1,000 ปีคือในชั้นอัตถกถาอนอธิบายความในรัตนสูตรเล่าเรื่องภัยสามประการเกิดขึ้นในกรุงภัยสาลีในครหลวงของแคว้นวัชีภัยสามประการนั้นคือทุพพิกภัยภัยเพราะข้าวยากหมากแพงอมนุษยภัยภัยเพราะอมนุษย์หรือปีศาจแล้วโรคภัยภัยเพราะโรค โดยเฉพาะที่เกิดในครั้งนั้นเป็นโรคระบาดที่เรียกในภาษาบาลีว่าอหิวาตกะโรคแต่จะเหมือนอหิวาตกะโรคในปัจจุบันหรือไม่ยิ่งไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ลักษณะที่เล่าไว้รู้สึกว่าเป็นโรคร้ายแรงมากตายกันเป็นครัวๆและลามไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยคณะกษัตริชวีจึงส่งคนไปอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จจากแคว้นมคตไปโปรดยังแคว้นวัชี เมื่อทรงรับนิมนต์แล้วก็เสด็จผ่านยังบ้านปานทลีคามคามแม่น้ำคงคาตรงนั้นสู่ฝั่งแคว้นวชีเข้าสู่กรุงไผ่าลีในเรื่องเล่าว่าพอเสด็จเข้าเขตวชีฝนก็ตกใหญ่ทำให้โรคระบาดสงบเมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงไผ่าลีนครหลวงแล้วก็ทรงสอนให้พระอานนท์ท่องจำรัตนสูตรบทว่ายานิทะพูตานิสมาคตานิเป็นต้น พระอนุนจำได้แล้วก็เอาบาศใส่น้ำปะพรมไปทั่วพวกอมนุษย์ก็หนีไปเอรุร้ายต่างๆก็สงบจากเรื่องเล่าในอัฏฐกะฐานี้จะมีการตั้งน้ำมนต์ในเมื่อมีการสวดพระปริต์ในบ้านเรือนเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการรัฐนาพระสังฆเถระให้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั้งแกคณะบุคคลในบ้านนั้นและแกะบ้านเรือนเพื่อเป็นสวัสดีมงคล และเพื่อกระจัยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆต่อมาก็มีเรื่องเป็นพิเศษส่วนตัวตามความเชื่อถือของบุคคลใครรู้สึกว่าเหตุการณ์นในชีวิตไม่ราบรื่นหรือมีอะไรไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นบ่อยๆก็ไปหาพระให้ช่วยรดน้ำมนต์ให้ทําให้ใจสบายไปได้ไม่น้อยกล่าวกันในทางจิตวิทยารู้สึกว่าจะได้ผลทางจิตใจมาก พระภูรสัมมน์ ม, มีความเชื่อว่าจะเป็นเหตุผ่อนคลายความไม่ดีต่างๆลงไปในศาสนาพราหมณ์เ็มีความเชื่อในเรื่องแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่น้ำคงคาถือกันว่าไหลามาจากสวรรค์ผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้าซึ่งช่วยให้กระแสน้ำอ่อนลงมิเช่นนั้นก็จะท่วมโลกเพราะ น, น้ำนั้นไหลผ่านเสียนพระศิวะจึงกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ล้างบาปได้ทำให้ผู้อาบลอยบาปไปตามกระแสน้ำหรืออาบแล้วทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทุกๆปีที่ทางอาบน้ำเมืองพาราณสีจะมีคนไปนอาบน้ำทำพิธีทางศาสนาในแม่ น, น้ำคงคาตอนนั้นนับจำนวนล้านล้านคนมีเรื่องเล่าไว้ในวันในคดีฝ่ายพระพุทธศาสนาคือในวิสุทธิมรติสิลนิเทศกล่าวไว้ว่า แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พราหมณ์นับถือกันนั้นมิใช่แต่แม่น้ำคงคาเท่านั้นแม่น้ำอื่นๆเช่ น, นยมุนาสรพูสรัสตีนิ น, นาคาอาจิรวดีและมหีรวมเป็นเจ็ดสายทั้งแม่น้ำคงคาบางแห่งนเช่นในวัตถุประมะสูตรมัชิมนิกายมุลปันนาสพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองก็กล่าวถึงแม่น้ำสายอื่นอีก คือพาหูกาขยาสุนชริกาสรัสติปยาคะและพาหุมติเฉพาะปยาคะดูเหมือนจะไม่ใช่ชื่อแม่น้ำเป็นชื่อท่าน้ำหรือเมืองท่าแต่ในหนังสือ Geography of Early Buddhism ของ B.G. l a w กล่าวไว้ว่าทั้งปยาคะและขยาไม่ใช่แม่น้ำเป็นท่าน้ำตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคา คำว่าขยาเป็นชื่อแม่น้ำก็มีคือแม่น้ำในรันชราตอนที่ผ่านตำบลขยาคล้ายกับแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำท่าจีนความจริงเป็นลำน้ำสายเดียวกันผ่านเมืองไหนก็เลยตั้งชื่อไปตามเมืองนั้นเมื่อถึงฤ ด, ดูร้อนพวกพราหมณ์ที่มีทรัพย์ก็ไปยังบ้านพักร้อนริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อสาทยายมนและอาบน้ำดำหัววันละสามเวลา ทางพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำต่างๆดังกล่าวนั้นดังจะเห็นได้ในตอนหนึ่งจากสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มสิบสองที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบสุนทริกะพารัตวราชาพรามว่าดูก่อนพรามท่านจงอาบน้ำในธรรมวินัยนี้จงทำความเกษรรมในสัตว์ทั้งหลายถ้าท่านไม่กล่าวเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ให มีความเชื่อตามเหตุผลเมตณีท่านจะไปแม่น้ำขยาทำอะไรแม้น้ำดื่มของท่านก็เป็นแม่น้ำขยาแล้วอีกแห่งหนึ่งจากพุทธอุทานประสุตันตาปิดกพระไตปิฎกเล่ม25ห้าตรัสว่าความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำซึ่งชนส่วนมากพากนาพันาบผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะ ผู้นั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพรามในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เป็นพรามเพราะสืบสะกุลและคำว่าพรามในที่นี้เป็นการล้อความกับความหมายที่พรามถือกันว่าพรามนั้นคือผู้ลอยบาปผู้้นบาปอีกแห่งหนึ่งคือในปุณิกาเทรีพาสิทประสุตันตปิฎก พระไตรปิฎกเล่ม26ถ้าบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วกบเต่างูจระเข้และสัตว์น้ำทั้งปวงก็จักไปสวรรค์ได้เป็นแน่จากหลักพระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี้แสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่ยกความสำคัญให้แก่น้ำภายนอกไม่ว่าจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในม้น้ไหน หากถือการประพฤติปฏิบัติทางศิลธรรมว่าเป็นแม่น้ำที่อาบโดยไม่เปียกตัวเป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นให้คนถือเอาคุณงามความดีจุงสิ่งอื่นๆไม่ใช่เอาแม่น้ำที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิม์มาเป็นเครื่องจูงคุณงามความดีเป็นการสอนลัดตัดตรงเข้าหาความจรงิงและสอนตรงไปตรงมาเมื่อหลักพระพุทธศาสนาเป็นเช่นนี้ เรื่องการใช้น้ำมนในพระพุทธศาสนาที่ถือกันอยู่ทุกวันนี้จะว่าอย่างไรผู้เขียนได้กล่าวแล้วว่าหลักฐานเรื่องน้ำมนทางพระพุทธศาสนาสืบค้นได้ว่าปรากฏในหนังสือชั้นอัตถกถาที่แต่งภายหลังพุทธปริจนิพนา์ประมาณพันปีในพระไตรปิฎกแท้ๆไม่มีการสอนให้ใช้น้ำมนหรือทำน้ำมนในที่ไหนเลยผู้ถือเรื่องน้ำมน อาสบายใจได้อย่างหนึ่งก็คือเราดัดแปลงให้เป็นแบบพูดได้ก็ดีแล้วคือแทนที่จะลงอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แบบพรามเราเอาน้ำมาใส่บาตรหรือใส่หม้อน้ำมนต์อารัธนาพร ะ, จะเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเรานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้ยังไรก็ตามเมื่อพูดกันโดยเกรงครัดตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วใครทาดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่วน้ำมนต์ไม่สามารถทำคนชั่วให้ดีหรือทำคนดีให้ชั่วได้จะช่วยได้ก็ในทางจิตใจให้สบายขึ้นโปร่งใจขึ้นอันเป็นผลทางจิตตาวิทยาคราวนี้มีปัญหาว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นมีความรู้ความเข้าใจหลายชั้นคนทั่วไปย่อมนับถือด้วยต้องการให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง อำนวยความสวัสดีช่วยบำบัดทุกข์ภัยต่างๆจะให้เกรงรัดตามหลักพระพุทธศาสนาชั้นสูงหมดอาจไม่ได้ผลควรจะจูงให้เข้าหาพระพุทธศาสนาเป็นขั้นๆคือจะเปลือกนอกเข้าไปหาแก่นเพราะฉะนั้นระบบจูงคนด้วยน้ำมนต์จึงไม่น่าจะเสียหายอะไรอาจจะยกตัวอย่างต่อไปอีกคนที่จเจริญเติบโตแล้วกินอาหารแข็งได้ เช่นข้าสุขเนื้อสัตว์เป็นชิ้นชิ้นมีฟันบดเคี้ยวให้แหลกได้แต่เด็กเกิดใหม่ยังไม่มีฟันจะให้กินข้าวแบบผู้ใหญ่ก็คงเกิดโทษถึงตายเป็นแท้การสอนศาสนาก็เช่นเดียวกันจะพรวดพลาดให้ขึ้นชั้นสูงทีเดียวถึงเส้นตึงไว้เลยไม่ยอมผ่อนก็น่าจะมีโทษมากกว่าคุณเรื่องน้ำมนก็น่าจะเป็นแบบนั้น ในเมื่อคนยังไม่ทราบซึ้งหลักกรรมดีพอยังไม่เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาชั้นสูงแจ่มแจ้งพอจะปฏิเสธเสียทีเดียวก็จะทําให้คนเข้าไม่ติดข้อชี้แจงนี้เป็นการช่วยให้ฝ่ายแช่น้ำมนต์สบายใจขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นไม่ควรติดอยู่แค่น้ํามนต์หรือชั้นกอไก่ขอไข่เท่านั้นเราควรจะรู้ความจริงกันให้ถี่ถ้วน เมื่อเข้าใจตลอดสายแล้วจะได้เป็นตัวของตัวเองในการนับถือพระพุทธศาสนาไม่มีน้ำมนต์รถก็ไม่เดือดร้อนผู้เขียนขอกล่าวถึงเรื่องจริงในงานฉลอง25หพุทธศตวรรษที่สนามหลวงได้มีเสียงสองฝ่ายคือควรบวงใสยศีลและตั้งน้ำมนต์เพราะพระสวดมนต์กับอีกฝ่ายหนึ่ง เห็นว่าไม่ควรเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่เป็นการแสดงหลักพระพุทธศาสนาให้นานาประเทศได้รู้เห็นเรื่องที่เคยเป็นขนบธรรมเนียมถ้าจะมีควรจะมีเป็นส่วนเอกชนไม่ใช่ส่วนรวมซึ่งจะจารึกลงในประวัติศาสตร์และชาวพุทธในประเทศอื่นๆอาจนำไปเขียนวิจารณ์ในทางไม่เป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทยได้ทั้งสองฝ่ายมีอาจตกลงกันได้ จึงต้องส่งเรื่องให้พระคุณเจ้าสมเด็จพระวรนรัตสังคนายกวัดเบญจมโบพิษเป็นผู้ตัดสินซึ่งภายหลังท่านจะรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อพุทธศักราช2503ท่านได้ชี้ขาดให้งดการวางใส่ศีลและตั้งบาทน้ำมนต์จึงเป็นอันตกลงตามนั้นซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการประกาศความเติบโตทางจิตใจของชาวพุทธไทยว่าถึง 2,500 ปีแล้ว อย่าติดอยู่แค่ขอไก่ขอไข่กันโดยไม่ยอมขึ้นชั้นอื่นบ้างเลยผู้เขียนขอบันทึกสดุดดีพระคุณเจ้าสมเด็จสังฆนายกไว้ในที่นี้ด้วยคารวะอย่างสูงที่ได้ช่วยให้เรากล้าศึกษาความจริงทางพระพุทธศาสนากันให้สูงขึ้นไม่ติดอยู่เพียงวัตถุภายนอกทั้งยังช่วยประกาศคุณแห่งพระพุทธศาสนาที่สอนอย่างตรงไปตรงมาโดยถือเหตุผลเป็นประมาณ อย่างไรก็ตามสําหรับท่านที่ยังมีความเลื่อมใสในน้ำมนต์อยู่หนังสือนี้ก็ไม่ขัดขานท่านไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อท่านโปรดนับถือน้ำมนต์ของท่านต่อไปตามสบายใจเพราะอย่างน้อยนอกจากจะทําให้ท่านสบายใจแล้วก็ยังทําใจของท่านให้ใกล้ชิดกับพ ร, ระรัตนตรัยโดยอาศัยวัตถุคือ น, น้ําเป็นสื่อกลางได้ทางหนึ่งข้อสําคัญ ขอให้ท่านพยายามถือเอาหลักใหญ่เข้ามาร่วมด้วยนั่นก็คือพยายามทำคุณงามความดีด้วยอย่าคิดเพียงจะนั่งนอนอยู่เฉยๆให้น้ำมน์ดนบันดาลอะไรต่ออะไรให้ท่านดีขึ้นมาเองความดีก็ทำน้ำมนก็ใช้ท่านก็มีหวังได้ประสบผลดีอันเนื่องมาจากการจูงของคุณงามความดีได้แต่ก็อย่าถึงกับเดือดร้อนถ้าบางโอกาสหาน้ำมนลดไม่ได้ อันหนึ่งผู้เขียนขอซ้อมความเข้าใจไว้ด้วยว่าหนังสือนี้ไม่สนับสนุนให้ยกตนข่มผู้อื่นเพียงเพราะเขาเลื่อมใสในน้ำมนต์คนบางคนอาจมีความประพฤติดีมีนิสัยใจคอดีกว่าคนที่ดีแต่ยกหลักชั้นสูงขึ้นมาอ้างสำหรับข่มคนอื่นแล้วตนเองไม่ทำคุณงามความดีอะไรคอยแต่จะจับผิดผู้อื่นเพื่อยกตนว่ามีความรู้ชั้นสูงอย่างนี้ยังไม่ใช่ทางที่ควรดาเนิน แท้จริงเราควรเห็นอกเห็นใจกันในระหว่างพุทธศาสนิกชนทุกประเภทอย่าดูหมิ่นเหยยดยามกันใครปฏิบัติได้แค่ไหนก็ควรช่วยกันส่งเสริมให้ปฏิบัติได้สูงขึ้นสูงขึ้นอย่าเสียเวลาในการทะเลาะ ก, กันเองหรือยกตนข่มผู้อื่นเลยดังนี้หลักพระพุทธศาสนาทุกชั้นจะไม่เป็นพิษแก่ใคร หมายเหตุผู้อ่านในทางจิตวิทยานั้นมีการทดสอบหลายขั้นว่าความเชื่ออย่างเหนียวแน่นนั้นบางครั้งก็ส่งผลต่อร่างกายได้จริงเช่นการเอาดินสอรหรือปากกามาขีดที่แขนระหว่างสะกดจิตและบอกว่านี่เป็นไฟก็ปรากฏว่าเกิดรอยไหม้ขึ้นจริงซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่าวัตถุหรืออะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นขอ ง, ของคลังนั้นบางครั้งก็เกิดผลไดจากพลังจิตของตัวเอง เพียงแต่พิธีกรรมหรือวัตถุนั้นเป็นอุปกรณ์ในการจูงจิตให้ดึงพลังจิตของตัวเองมาใช้จะมีผลดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตกำลังของจิตมีวิบากดีสะสมไว้เป็นคุณภาพจิตที่ดีจึงส่งผลดีได้นครับ คำสอนเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องเทวดาไว้หลายประเภทรวมทั้งประเภทที่นับว่าสำคัญที่สุดคือที่ทุกคนอาจเป็นได้ในชาตินี้โดยไม่ต้องรอให้ตายซะก่อนนั่นคือการเป็นเทวดาได้โดยมีคุณธรรมอันเป็นคำสอนที่ต้องการให้ได้ประโยชน์และได้ผลจริงๆในหมู่ผู้ฟังเพราะการฟังเรื่องเทวดาบนสวรรค์ มีสุขสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับฟังนิทานพอเลิกแล้วก็แล้วกันไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรได้หรืออาจปฏิบัติด้วยเชื่อว่าตายแล้วจะได้เป็นอย่างนั้นบ้างแต่ก็รู้สึกว่าจะเลื่อนลอยเกินไปต้องทุ่มความเชื่อลงไปจนเต็มที่จึงจะปล่อยใจให้สบายได้ด้วยเหตุนี้จึงสู้คำสอนที่ให้เป็นเทวดาด้วยคุณธรรมในชาตินี้ไม่ได้เพราะตรงไปตรงมา และมีเหตุผลในหลักคําสอนที่ให้เกิดผลดีเป็นส่วนเอกชนและแก่ส่วนรวมอย่างน่าพอใจประเภทแห่งเทพหรือเทวดาที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนามีดังนี้ 1. สมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติได้แก่พระราชาพระราชนีและราชกุมารราชกุมารี 2. ปฏิเทพเทวดาโดยกำเนิดได้แก่เทวดาจริง 3. วิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์อย่างสูงได้แก่พระอาหารหันต์พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งสามประเภทนี้พอจะเห็นความได้ชัดคือในประเภทแรกส ม, มุติเทพนั้น มนุษย์เราได้ยกย่องหัวหน้าขึ้นเทียบกับเทวดาทั้งนี้เป็นไปตามระบบราชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์การใช้ถ้อยคําแสดงคารวะก็เป็นไปโดยพิเศษแต่เทวดาโดยสมมุติอย่างนี้ใครๆจะเลือกเป็นตามชอบใจไม่ได้เราจะต้องเป็นไปตามการสืบสกุลตามกฎมนเทียนบานส่วนเทวดาประเภทที่สองเรียกว่าอุปติเทพนั้น ได้แก่เทวดาจริงๆซึ่งจะได้วินิจฉัยในตอนสุดท้ายที่ว่าด้วยสวรรค์นรกมีจริงหรือไม่เทวดาประเภทนี้กล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่ผู้เคยประกอบคุณงามความดีไว้และผลแห่งคุณงามความดีนั้นส่งสนองให้ได้ประสบสุขในเทวโลกซึ่งดูเหมือนจะมีกล่าวไว้ในทุกศาสนาแต่คนสมัยใหม่ไม่เคยเชื่อหาว่าเป็นเรื่องปลด หรือเอาสวรรค์มาล่อย่อลทํทำความดีฉะนั้นจึงควรได้รับการพิจารณาในลำดับต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงเทวดาประเภทที่สมแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ให้หลักตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการวินิจฉัยเรื่องเทวดาโดยให้หลักไว้ว่ายังมีเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาประเภทอื่นสองข้อข้างต้น คือวิสุทธิเทพหรือเทวดาโดยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจอันได้แก่ความประพฤติตนเป็นคนดีพร้อมนั่นเองคนที่ประพฤติตนดีมีความบริสุทธิ์ยอมชื่อว่าเป็นเทวดาสูงกว่าเทวดาโดยสมมุติสูงกว่าเทวดาบนสวรรค์นี่แสดงว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้เกียรติเทวดาบนสวรรค์ยิ่งกว่ามนุษย์ที่พระพฤติปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์สะอาดทางกายวาจาใจแต่ประการใดอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกในโลกที่สอนเรื่องเทวดาบนพื้นโลกซึ่งทุกคนอาจเป็นได้อันสูงกว่าเทวดาทุกประเภทซึ่งมีกล่าวไว้ในศาสนาต่างๆทั้งเป็นเรื่องที่มีเหตุผลอันอาจรองตาม และลงมือประพฤติปฏิบัติได้ด้วยเทวดาด้วยความประพฤติประเภทนี้ที่ว่าอย่างสูงได้แก่พระอรหันต์ผู้ละกิเลสได้เป็นอันแสดงว่าอย่างต่ำก็มีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ประกอบด้วยฮิริความละอายแก่ใจโอตับปะความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตประพฤติธ ท, ทางฝ่ายขาวคือคุณธรรมความดี ชื่อว่ามีธรรมของเทวดานอกจากนั้นในศาสนาพราหมณ์ได้มีการสอนและพรณน า, นารูปลักษณะของพระพรหมไว้ว่ามีสี่หน้านั่งเหนือดอกบัวทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ขัดคอจะได้แสดงใหม่ในลักษณะหรืออินเทอร์พิเทชคือแปลความหมายใหม่ว่าได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการ ที่เรียกว่าพรหมวิหารคือ 1. เมตตาไมาตรีคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วนหน้าคือปราศจากความพยาบาท 2. กรุณาเอนดูหรือสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์คือปราศจากความโหดร้ายหรือความคิดเบียดเบียน 3. มมุทิตา ปลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคือปราศจากความริษยา4อุเบกขาวางใจเป็นกลางคือปราศจากความลำเอียงคุณธรรมทั้งสประการนี้เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่โดยแท้หมายเหตุผู้อ่านคำว่าคุณธรรมของผู้ใหญ่ในที่นี้ ผู้ใหญ่คือผู้เป็นใหญ่ในธรรมหรือมากไปด้วยคุณธรรมหรือผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมนะครับผู้ใดประกอบด้วยคุณธรรมชนิดนี้ได้ชื่อว่าเป็นพรหมซึ่งเป็นเทวดาชั้นสูงและท่านได้ยกตัวอย่างว่ามารดาบิดามีความรู้สึกเช่นนี้ต่อบุตรจึงชื่อว่าเป็นพรหมของบุตร เมื่อทางพระพุทธศาสนาโยางมาให้ประพฤติปฏิบัติได้จึงชื่อว่าได้ช่วยให้คนสมัยใหม่เข้าใจศาสนานี้ดีขึ้นและมองเห็นความทันสมัยไม่เก่าแก่ของพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนอาจนำคติธรรมเรื่องเทวดานี้ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตนและส่วนรวมได้โดยทั่วกันการกล้าตัดสินอย่างตรงไปตรงมาโดยชีย้ไปที่คุณความดีว่า อาจทำให้คนธรรมดาดีเลอรยิ่งกว่าเทวดาโดยสมมุติหรือเทวดาจริงๆบนสวรรค์นั้นทำให้หมดความยุ่งยากไปได้และส่วนที่ดีเลอรเป็นของกลางที่ทุกคนอาจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้แล้วจะไหนจะตะเกียกตะกายเพื่อเป็นเทวดาจริงๆบนสวรรค์ซึ่งจะต้องรอให้ตายเสก่อนและตายแล้วก็ไม่แน่ ว, ว่าจะได้เป็นเพราะเราอาจก่อกรรมทาชั่วอื่นๆไว้อาจปัญญโรค ก, ก่อนก็ได้ ท่านผู้อ่านหนังสือนี้ผ่านบทก่อนๆมาแล้วคงจําได้ว่าผู้เขียนได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่ออ้างถึงหลักธรรมทางพระพุทธศา ส, สนาที่สรนเริญว่าคนที่มีความรู้ดีและความประพฤติดีชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ซึ่งแสดงว่าเทวดาจริงๆก็อาจต่ํากว่ามนุษย์ถ้าเทวดานั้นยังไม่เป็นเทวดาที่ดียังมีใจต่ําหรือเกีกะเกเรการได้เป็นเทวดา ก็เป็นเพียงได้รับผลดีของกรรมเก่าเท่านั้นถ้าไม่ประพฤติตนให้ดีสมเป็นเทวดาก็สู้มนุษย์ที่ประพฤติดีไม่ได้ฉะนั้นคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาที่กล้าชี้ว่ามนุษย์อาจดีกว่าหรือสูงกว่าเทวดานี้จึงนับเป็นลักษณะพิเศษจริงๆที่จะหาไม่ได้ในคำสอนอื่นเพราะในคาสอนอื่นเทวดาล้วนสูงกว่ามนุษย์ทั้งนั้นซ้าบางที ก็มอไม่ค่อยเห็นทางด้วยว่าทำอย่างไรมนุษย์จึงจะยกฐานะของตนให้เท่าเทียมได้บ้างเพราะเป็นเรื่องผูกขาดฐานะส่วนพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าตำแหน่งอะไรเช่นเทวดาหรือพระพุท ธ, ธเจ้าจะเป็นตำแหน่งลอยๆที่มีไว้เพื่อผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะหากเป็นเช่นนั้นไม่จะต้องมีเหตุผลเพียงพอคือผู้จะรับตำแหน่งนั้น จะเป็นใครก็ได้ที่ลงมือประพฤติปฏิบัติดีชอบตามควรแก่เหตุจึงจะได้รับผลเช่นนั้นอันนี้เองที่พระพุทธศาสนากลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปซึ่งทุกคนผู้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลย่อมเว้นเสียมิได้ที่จะชื่นชมในหลักธรรมอันตรงไปตรงมาไม่มีอภิสิทธิพิเศษใดๆแฝงอยู่เลย เพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านเรื่องนี้ได้อ่านข้อวินิจฉัยเรื่องนรกสวรรค์เทียบเคียงกับเรื่องเทวดาที่ผ่านมาแล้วผู้เขียนขอแสดงบทความเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ซึ่งเคยเขียนมินิจฉัยเรื่องนรกสวรรค์ไว้เป็นทางพิจารณาโดยเหตุผลสืบไปอย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าเราพยายามพิจารณาหลักธรรมคาสั่งสอนในศาสนาของเราอย่างใช้เหตุผลหรือข้อพิสูจน์ตามแนวทางวิทยาศาสตร์มากเพียงใด ก็จะเป็นประโยชน์ให้เราได้ชื่อว่านับถือศาสนาด้วยปัญญามากเพียงนั้นและการนับถือศาสนาแบบใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลนี้เป็นที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ขอเชิญท่านอ่านบทความเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นลำดับไปนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ปัญหาเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นี้นับว่าน่าสนใจเพราะถ้าเราทําความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งก็จะชื่อว่านับถือศาสนาอย่างใช้ความพิจารณารอบครอบและไม่ต้องทําให้เกิดความสงสัยบ่อยๆในศาสนาที่ตนนับถือว่าจะมีเหตุผลหรือไม่เพียงไรเราอาจแบ่งสวรรค์นรกออกเป็นชั้นๆได้ดังนี้หนึ่งสวรรค์นรกในจิตใจของเราเองอย่างที่พูดกันว่า สวรรค์นในอกนรกในใจสองสวรรค์นรกในโลกปัจจุบันที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าสามสวรรค์นรกที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาเป็นเรื่องของอีกโลกหนึ่งต่างหากต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องสวรรค์นรกตามที่จำแนกประเภทไว้นั้นโดยลำดับประเภทที่หนึ่ง สวรรค์ลและนรกเนี่ยจิตใจของตนเองทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตใจของเรานี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะบังคับบัญชาร่างกายให้ทำอะไรได้ทั้งในทางดีทางชั่วตามลักษณะของจิตใจนั้นกายวาจาเป็นเพียงหุ่นให้ใจชักหรือเชิดให้แสดงอาการต่างๆและจิตใจนั้นก็เป็นตัวรับรู้รับทราบ และรับผิดชอบแทนร่างกายทั้งหมดแม้มีใครมาด่า ว, ว่าเสียสีร่างกายจิตใจก็เป็นผู้รอรับแทนร่างกายในเวลานอนหลับจิตใจพักงานแม้จะมีใครมาด่า ว, ว่าก็ไม่รู้สึกโกรธเคืองเพราะจิตใจไม่รู้ตกลงว่าร่างกายที่ปราศจากจิตใจก็ไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้เมื่อจิตใจเป็นตัวรับผิดชอบการกระทำต่าง ซึ่งตนสั่งงานไปทางกายกับวาจาเช่นนี้ทางพระพุทธศาสนาจึงสั่งสอนให้ศึกษาเรื่องของจิตใจเป็นพิเศษจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไยต่ำเคยคิดแต่ทางชั่วช้าเร็วซามเมื่อสั่งงานให้กายวาจาแสดงอาการอะไรออกมาก็ยอมเป็นไปนในทางชั่วช้าเร็วซามเช่นเดียวกันจิตใจชนิดนี้ยอมเต็มไปด้วยความเดือดร้อนพราะความชั่วช้าภายในเผาอย่างหนึ่ง เพราะผลความชั่วที่ทำลงไปคอยตามรบกวนจิตใจอย่างหนึ่งคนทุจริตชอบโกงผู้อื่นหรือคนที่มากไปด้วยความโกรธความริษยาย่อมมีจิตใจเร่าร้อนอยู่เนืองนิดเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นและเป็นการตกนรกทางจิตใจและโดยประการตรงกันข้ามถ้าจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความพลอยยินดีในความเจริญของผู้อื่นไม่ริษยาและความรู้จักรังเกียจความชั่วต่างๆจิตใจฝ่สูงนี้จะเต็มไปด้วยความสุขสงบชื่นบานเป็นสวรรค์ไปในตัวเพราะฉะนั้นด้วยจิตใจนี้บุคคลอาจตกนรกขึ้นสวรรค์เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าได้ สุดแต่ว่าจะประกอบส่วนชั่วหรือส่วนดีมากน้อยเพียงไรประเภทที่สองสวรรค์และนรกที่มองเห็นได้ด้วยตาผู้เคยเข้าไปดูในคุกตารางห้องคังแล้วคงได้เห็นกนตกนรกทั้งเป็นไปถูกคังทุกทรมานอยู่ในลักษณะต่างๆกัน นานบ้างไม่นานบ้างตามควรแก่โทษานุโทษและทัานองเดียวกันเราก็คงได้เห็นผู้ประพฤติเป็นพลเมืองดีไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอุตสาหะทรมาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐานมีความเป็นอยู่ดีมีบ้านมีที่ดินและยวดยานพาหนะใช้สอยพรั่งพร้อมผาสุขไปด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งที่ปรารถนาผู้เช่นนี้เมื่อเทียบกับนักโทษ ด, ดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่า ต่างกันอย่างชัดเจนเป็นนรกสวรรค์ที่สอนให้มนุษย์มองเห็นผลแห่งความดีความชั่วว่าต่างกันอย่างไรในปัจจุบันทันตาเห็นประเภทที่สนรกสวรรค์จริงๆที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเราคงจะเคยได้ฟังคำพันานาถึงเรื่องนรกสวรรค์ว่า มีสภาพวิจิตพิสดารอย่างน่าสนใจแต่ก็รวมความได้อย่างหนึ่งว่านารกมีไว้สําหรับลงโทษคนชั่วสวรรค์มีไว้ให้รางวัลแก่คนดีปัญหาที่สําคัญก็คือนรกสวรรค์ดังกล่าวนี้มีจริงหรือถ้ามีทําไมเราจึงไม่เห็นถ้าพูดเพียงเรื่องเห็นหรือไม่เห็นแล้วอย่าว่าแต่นรกสวรรค์ซึ่งอยู่คนละโลกกับเราเลย แม้เมืองที่อยู่ห่างไกลคนละเมืองกับเราเราก็มองไม่เห็นต้องอาศัยฟังคำบอกเล่าของคนอื่นเรื่องนโรกสวรรค์จริงๆนั้นผู้บำเพ็ญคุณธรรมทางจิตใจสูงจนสามารถเห็นได้ด้วยตาภายในได้บอกกล่าวไว้ว่ามีส่วนคำพรรณน า, นารายละเอียดนั้นเป็นเรื่องที่กล่าวสืบๆกันมาเราไม่ควรติดใจอะไรมากนักมาพิจารณากันในขั้นว่ามีหรือไม่มีก่อนดีกว่า และในการวินิจฉัยเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นี้ถ้าสามารถอาศัยวิชาวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายได้เราก็น่าจะลองวินิจฉัยดูเราลองสอบสวนข้างฝ่ายผู้ไม่เชื่อก่อนว่ามีเหตุผลอย่างไรก็มักจะได้รับคำตอบว่าเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่ปรากฏหรือนำมาแสดงไม่ได้ในการวินิจฉัยปัญหาใดๆก็ตาม เราจะอ้างเพิยงความไม่รู้ไม่เห็นมาเป็นเหตุผลว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเหตุการณ์นั้นนี้ไม่มีจริงหาได้ไหมการละเมิดกฎหมายโดยอ้างว่าไม่รู้กฎหมายย่อมไม่ทำให้เป็นข้ออ้างที่มีน้ำหนักการที่เราไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนแล้วยืนมือเข้าไปในไฟนั้นไฟจะยอมรับรู้กับข้ออ้างของเราและไม่ทำให้มือเราร้อนได้หรือไม่ ในการโต้อตอบปัญหาใดๆเราจะใช้ข้ออ้างเพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นมาเป็นเหตุผลก็จะทำให้คำกล่าวของเราปราศจากน้าหนักมากขึ้นเพราะการวินิจฉัยปัญหาต่างๆเราจำเป็นต้องให้ข้อวินิจฉัยนั้นมีรากฐานอยู่บนความรู้ไม่ใช่บนความไม่รู้แม้ไม่รู้ประจักษ์ก็ให้เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลก็ยังดี ส่วนในข้อที่ว่านำมาแสดงให้ดูไม่ได้นั้นถ้านารกสวรรค์อยู่คนละโลกกับเราก็ถูกแล้วที่นำมาแสดงไม่ได้อย่าว่าจะเรื่องเช่นนั้นเลยแม้เรื่องในโลกเราเช่นมีผู้เล่าเรื่องภูเขาหิมาลัยให้ฟังเราไม่เชื่อว่ามีเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นและนำภูเขานั้นมาแสดงแกเราไม่ได้ดังนี้เราก็เห็นได้ว่าความไม่รู้ไม่เห็น หรือการไม่สามารถยกภูเขาอิมาลัยไปแสดงแก่ใครๆได้นั้นย่อมไม่ทำให้ภูเขานั้นพลอยไม่มีไปตามข้ออ้างของผู้ไม่เชื่อเลยนนรคกสวรรค์ตามคำอธิบายของท่านผู้ฝึกฝนอบรมจิตชั้นสูงว่ามีความเป็นอยู่ต่างไปจากมนุษย์และมีเอกเทศอยู่ส่วนหนึ่งผู้จะรู้เห็นต้องมีเครื่องมือคือทิพยญาจักสุหรือตาทิพย์ ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมจึงสามารถรู้เห็นได้นักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจในปัจจุบันคือในขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเช่นดรทาวเลสดรไทเลว์ดรคารลินตันดรโซดรเฮิงเกอร์แห่งอังกฤษและด็ร์ไรแห่งอเมริกาได้พยายามพิสูจน์ความสามารถในเรื่องที่พยายจักษุหรือตาทิฟและเรื่องเจตโตปริยญาณการกาหนดรู้ใจผู้อื่น ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราฝึกหัดแล้วก็จะเกิดความสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆได้อย่างแปลกประหลาดซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่อาจรู้เห็นได้ดูเรื่องนี้ได้จาก The Personality of Man GNM ของไทเลวกับดู Guide to Modern Thought ของ c g จีอดหมายเหตุผู้อ่าน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่กล่าวมานั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้สนใจการศึกษาทางด้านจิตมีหนังสือแปลไทยอีกหลายเล่มที่กล่าวถึงการทดลองเกี่ยวกับโลกหลังความตายและความสามารถพิเศษอย่างเช่นเรื่องพุทธศาสนานกับวิทยาศาสตร์ประสบการณ์นอกกายเนื้อการทดลอง OBE ผีและเทวดามีจริงรวมหลักฐานจากพระไตรปิฎกและเรื่องโลกหลังความตายอีกหลายเรื่องเช่นในชุดแววเสียงสวรรค์ ในชุดโลกทิพย์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งเป็นการรวมเรื่องการติดต่อทางวิญญาณทั้งของไทยและต่างประเทศพร้อมคำอธิบายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกรอบของกฎแห่งกรรมฟังได้จากเสียงอ่านที่ชมรมผลดีจัดทำไว้แล้วนะครับนักวิทยา ศ, าศาสตร์ผู้ค้นคว้าเรื่องไก่ได้พยายามติดตามค้นคว้าโรคไก่ชนิดหนึ่งชื่อนิวคาสเซิลอันเป็นไวรัสชนิดเล็ก ถึงกับลอดเครื่องกลองได้ไวรัสชนิดนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีสมรรถนะสูงจึงเห็นได้เพราะจะต้องขยายให้ใหญ่กว่าเดิมตั้งหมื่นหรือแสนเท่าคราวนี้เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วเราไม่ยอมใช้เครื่องมือแบบวิทยาศาสตร์เราก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเชื่อว่าไม่มีเพราะมองไม่เห็นหรือถ้าเชื่อว่ามีตามอย่างนักวิทยาศาสตร์ความเชื่อนั้น ก็ไม่พิเศษอะไรไปกว่าความเชื่อตามเขาว่าในเรื่องอื่นๆแม้ในเรื่องในโกสวรรค์ถ้าต้องการพิสูจน์จริงๆก็ต้องสร้างเครื่องมือคือทิพยญาตจักสุซึ่งมีวิธีการสร้างให้เกิดได้แต่เรามักจะใช้วิธีลัดคือไม่ยอมสร้างเครื่องมือและจะเรียกร้องให้เห็นด้วยจึงเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้นักดาราศาสตร์ จะช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้ดีพอใช้เพราะกล่าวตามเหตุผลทางดราศาสตร์โลกอื่นจากโลกเรายังมีอยู่อีกหลายล้านหลายโกดโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดอะไรที่จะมีมนุษย์ในโลกอื่นอีกหรือมีผู้ที่มีความสุขสงกว่ามนุษย์เราคืออาจจะมีความเจริญเทียมเทวดาในสวรรค์หรือในอีกบางโลกจะมีมนุษย์หรือสัตว์อยู่กันอย่างลาบากยากเข็นทนทุกข์ทรมานดังตกนรก และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจวิจิตพิสดารไปกว่านในโลกเราเท่าไหร่ก็ได้เพราะแต่ในโลกเราเองก็มีสัตว์มากมายหลายแสนหลายล้านชนิดตั้งแต่ตัวเล็กที่สุดจนมองไม่เห็นกับตัวใหญ่ที่สุดมีรูปร่างต่างกันกินอาหารต่างกันอาศัยอยู่ในน้ำในดินหรือในต้นไม้บนพื้นดินแผกกันตามชนิดเหตุนี้สวรรณรก ซึ่งมีอยู่ในโลกอื่นก็อาจมีได้แม้ในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่สวรรค์ น, นรกจริงๆเป็นเรื่องเห็นได้ยากเราอาจเข้าใจเรื่องสวรรค์นในอกนรกในใจหรือสวรรค์ น, นรกที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีแล้วต่างๆกันนี้เองได้ดีกว่าว่าถึงอย่างไรเราก็ยังเห็นสวรรค์และนรกได้หรือรู้ด้วยตัวเองในที่นี้คือนรกสวรรค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เราจะได้เว้นเหตุชั่วประกอบกระทาแต่เหตุที่ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นแม้เราจะไม่เชื่อเรื่องสวร ร, รค์นรกจริงๆก็ไม่ทำให้กระทบกระเทือนต่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะยังมีสวร ร, รค์นรกปัจจุบันให้เราเห็นอยู่อีกข้อสำคัญขอให้เราเว้นชั่วประพฤติดีเป็นใช้ได้ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์คิดได้เพียงแต่จะไปสวรรค์ หากสอนไว้สูงกว่านั้นโดยสอนให้บรรลุนิพพานซึ่งสูงกว่าสวรรค์คือไม่มีการกลับกรอกแปรปรวนต่อไปอีกเพราะสวรรค์ยังมีความไม่ยั่งยืนผูอยู่ในสวรรค์ก็ยังไม่หมดกิเลส ท, ท่านจึงสอนเรื่องนิพพานอันเป็นเรื่องของการดับกิเลสและทุกข์ทั้งปวง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 หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เห็นได้ว่าเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจส่วนบุคคลและครอบครัวโดยทั่วไปคือข้อที่หนึ่งทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันอนววาด้วยการสอนให้ตั้งตัวได้ทางเศรษฐกิจสี่ประการคือความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์การรู้จัก ร, รักษาทรัพย์ที่หามาได้หรือรู้จักเก็บออม การครบเพื่อนที่ดีงามการใช้จ่ายพอเหมาะสมแก่ทนะของตนข้อที่สองการเว้นอบายมุกเหตุให้เสรอมทรัพสี่ประการคือความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงเล่นการพนันความคบคนชั่วเป็นมิตร ข้อสังเกตสำหรับอบายมุขที่กวนเว้นทั้งสข้อนี้ในที่ไหนมีคำว่านักเลงหมายถึงประกอบกรรมนั้นบ่อยๆเป็นอาจินจนกลายเป็นนักเลงในทางนั้นๆข้อที่สสุขของผู้ครองเรือนสี่อย่างคือสุขเกิดจากการมีทรัพย์ซึ่งหมายถึงจะมีได้ก็ต้องทามาหากิน สุขเกิดจากการได้จ่ายทรัพย์ใช้สอยสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษในข้อนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญในทางเศรษฐกิจว่าทำให้เกิดความสุขแต่ก็ต้องเป็นเศรษฐกิจในทางที่ไม่มีโทษข้อที่สสกุลอันมั่งคัง่งจะตั้งอยู่ได้ไม่นาน เพราะเหตุสีประการคือของหายไม่หาของชำรุดไม่ซ่อมแซมไม่รู้จักประมาณในการใช้ใจ่ายมอบความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้แก่หญิงหรือชายผู้ทุศีลหรือผู้มิตั้งอยู่ในศีลธรรมหลักนี้แสดงว่าตระกูลนั้นมั่งคั่งสักเพียงไรก็ตามถ้าขาดการรู้หลักเศรษฐกิจและศีลธรรม อันพึงปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็จะถึงความพินาศไปในที่สุดในที่นี้ผู้เขียนได้เทียบให้ดูว่าหลักเรื่องประโยชน์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาข้อแรกคือความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพให้เกิดทรัพย์นั้นตรงกับหลักเศรษฐกิจข้อแรกคือโปรดักชันหรือผลิตกรรมมาตรงกันอย่างนัดกันไว้ทั้งทั้งที่วิชาเศรษฐกิจ เกิดภายหลังพระพุทธศาสนานับจานวนพันปีส่วนข้อ2คือการรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ก็ตรงกับหลักการออมทรัพย์หรือเซฟิงข้อ3คือการรู้จักคบเพื่อนที่ดีงามก็เทียบได้กับการดาเนินงานในรูปบริษัทหรือสหกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดีแต่โดยปกติ แม้ไม่ดาเนินงานในรูปบริษัทหรือสหกรณ์เพียงการครองชีวิตเฉพาะตัวมีสหายก็เป็นส่วนสำคัญอยู่ไม่ใช่น้อยส่วนข้อสุดท้ายคือการใช้ใจ่ายพอเหมาะสมแก่ฐานะของตนในภาษาทางเศรษฐกิจใช้คำว่า household budget ซึ่งแปลว่างบประมาณประจำบ้านบ้างในส่วนกว้างขวางถึงประเทศชาติเรียกว่า nation economic budget หรืองบประมาณเศรษฐกิจแห่งชาติบ้างรวมความแล้วก็เพื่อความคุมรายจ่ายกับรายรับให้สมดุลกันอันตรงกับศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่าสมชีวิตาในทิฏฐธรรมิกัถะหรือประโยชน์ปัจจุบันนั่นเองหมายเหตุหรือในปัจจุบันก็ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งความหมายจริงหมายถึงการกินใช้สมฐานะ การใช้ทรัพย์โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าความพอเพียงคือความประหยัดคือการใช้ของแพงไม่ได้คือการต้องทำตัวสมถะสุดตรงและภาครัฐ ก, กับหน่วยงานการศึกษาก็มาจะเผยแพร่ความพอเพียงมาในรูปแบบนั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ ส่วนหลักคาสอนข้ออื่นๆเช่นให้เวนอบายมุก ค, ค, คือทางแห่งความเสื่อมทรัพย์ต่างๆการรู้ว่าความสุขของผู้ครองเรือนมีอะไรบ้างการจะทำให้สกุลวงศ์ตั้งอยู่ได้นานยั่งยืนจะต้องทำอย่างไรบ้างอันเป็นเรื่องของการเศรษฐกิจควบคู่กับศิลธรรมนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้มองเห็นแล้วว่าศิลธรรมจะดีได้โดยยาก ถ้าเศรษฐกิจส่วนบุคคลไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนเน้นหนักให้ตั้งตัวให้ได้ในทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแนะนำกูตากธันตพรามผู้ไปทุนถามปัญหาเรื่องการบูชายันพระองค์กลับเตือนพรามผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านพรามอันใหญ่เท่ากับเมืองเมืองหนึ่ง ให้จัดปัญหาทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองให้ดีก่อนวิธีปราบโจรผู้ร้ายไม่ใช่ปราบด้วยการฆ่าเพราะจะมีตัวตายตัวแทนอยู่เสมอแต่ถ้าจัดการเศรษฐกิจให้ดีให้ทุกคนมีงานทำตามความเหมาะสมเกี่ยความรู้ความสามารถของตนมีการช่วยเหลือชาวนาพ่อค้าและข้าราชาการให้เจริญในหน้าที่และอาชีพของตนบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ดูได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าและดูได้จากหนังสือของผู้เขียนคืออาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพในเรื่องชุมนุมบันทึกเบตเตเล็ตจากหลักฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับศีลธรรมนี้ย่อมเป็นเครื่องตอบปัญหาได้ดีต่อคำใส่ความของคนบางคนที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนเกียดคร้านเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ขยันไว้เป็นข้อแรก เป็นเรื่องประโยชน์ปัจจุบันอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นในบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงคุณธรรมในการประกอบอาชีพบางอาชีพเช่นการค้าขายว่าถ้าใครประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีคือหนึ่งเป็นผู้มีตาดีหมายถึงรอบรู้ในการค้าขายสินค้ารู้ทุนรู้กำไร 2. เป็นผู้มีความเพียรหมายถึงเพียรพิจารณาการลัเทศะรู้ทำเลซื้อทำเลขายว่าซื้อที่ไหนจะได้ถูกขายที่ไหนจะได้ราคาแล้วไม่ทอดทุระรู้จักชอบพอกับคนมากหมายถึงมีมิตรมีสหายมากรู้จักทำตนให้เป็นที่นิยมไว้เนื้อเชื่อใจของคนทั้งหลาย หลักฐานเรื่องนี้ดูพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบผู้เขียนเชื่อว่าท่านผู้อ่านคงรู้สึกบ้างไม่มากก็น้อยในความรอบครอบละเอียดละ อ, อ่แห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ยกมากล่าวไว้หลายเรื่องด้วยกันในที่นี้คำสอนหลักเศรษฐกิจขั้นสูง เมื่อได้กล่าวถึงการที่พระพุทธศาสนาได้สอนให้บุคคลสนใจทำตนให้เจริญในทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นเหตุให้สะดวกในการที่จะปฏิบัติตามศีลธรรมอันนับได้ว่าเป็นคำสอนหลักเศรษฐกิจขั้นต่ำแล้วก็ควรจะได้กล่าวถึงหลักคำสอนเศรษฐกิจขั้นสูงหรือกล่าวอย่างหนึ่งคือสูงเกินเศรษฐกิจไว้ด้วยเพราะหลักคำสอนขั้นนี้แทนที่จะให้เราคอยสนองความอยากได้ใกล้ดีต่างๆ ับสอนให้เราเป็นนายเหนือความทะยานอยากนั้นๆรู้จักเอาชนะไม่เป็นทาตของความทะยานอยากรู้ว่าแค่ไหนเป็นความจำเป็นแค่ไหนเกินความจำเป็นแค่ไหนเป็นความทะยานอยากที่มาเผาลนจิตใจของเราให้เร้าร้อนถ้าท่านผู้อ่านติดตามดูวิธีการของพระพุทธเจ้าในข้อนี้แล้วจะรู้สึกน่าอัศจรรย์ใจในการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจขั้นสูง โดยวิธีอันสุ ข, ขุมฉลาดรอบครอบของพระองค์ซึ่งจะกล่าวต่อไปในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกซึ่งเป็นงานใหญ่มากเทียบดู ก, กับการดำเนินงานต่างๆในทางโลกแล้วเราก็เห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาอยู่มาได้กว่า 2,500 ปีแล้วยังมั่นคงเป็นปึกแผ่นแต่องค์การทางโลกยังไม่ปรากฏว่ามีองค์การใด ดำรงมั่นสืบต่อกันมาเป็นหลักฐานได้ยั่งยืนและแพร่หลายเท่านี้วิธีการในทางโลกไม่ว่าจะทำอะไรเกือบจะหนีปัญหาเรื่องเงินไม่พ้นจนกระทั่งบางคนกล่าวว่ามีปัญหาสำคัญในการดำเนินงานเช่นใหญ่ๆอยู่เพียงสาข้อคือหนึ่งเงิน 2. เงินและสเงินรวมความว่าถ้ามีเงิน ทำอะไรต่ออะไรสำเร็จหมดถ้าไม่มีเงินก็เกือบจะเลิกพูดกันได้ทีเดียวพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นมาแล้วถึงวิธีการของชาวโลกซึ่งต้องใช้เงินเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้วิธีตรงกันข้ามซึ่งผู้เขียนใกล้เรียกว่าเป็นหลักเศรษฐกิจขั้นสูงหรือหลักการเหนือหลักเศรษฐกิจกล่าวคือไม่ใช้เงินเลย ในพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระหยิบจับหรือรับเงินทองทรงปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้นคล้ายจะแสดงให้โลกดูว่าโดยไม่ใช้เงินทองเลยนี่แหละจะทำงานชิ้นใหญ่ให้ดูและก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยหมายเหตุแต่ก็ต้องเข้าใจข้อยกเว้นของวินัยข้อนี้ด้วยนะครับ จะมีประโยคที่บอกว่ายินดีในการรับเงินทองคือมีความโลภมีความอยากได้และโดยเฉพาะอยากได้เพื่อเป็นของของตนแต่การเป็นตัวแทนรับเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมหรือรับไว้เป็นของสงรับไว้เป็นของส่วนรวมไม่ถือว่าอาบัตไม่ถือว่าผิดบาปอะไรในวินัยต่างๆนั้นท่านให้เพ่งกันที่เจตนาและมีข้อยกเว้นในแต่ละข้ อ, อยู่จานวนมาก ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นปราโมทา์ครูบาอาจารย์ซึ่งจะเป็นบาปร้ายแรงติดตัวไปเปล่าเปล่านะครับหลักการที่เรียกว่าเศรษฐกิจขั้นสูงของพระองค์ก็คือพยายามเป็นนายเหนือความทะยานอยากต่างๆพยายามรู้ว่าเท่าไหร่จําเป็นเท่าไราเกินจําเป็นเท่าไหรกลายเป็นความทะยานอยากไป พระองค์ได้อนุ ญ, ญาตสิ่งจำเป็นสำหรับภิกษุไว้สีประการเรียกว่าปั จ, จัจสี่หรือที่ตรงกับคำอังกฤษว่าโฟลเลคุสิสคือผ้านุ่งห่มหรือจีวรอาหารหรือบินทบาทที่อยู่อาศัยหรือเซนาสนะและยาแก้เจ็บไข้คือกีฬาณเภสัชเครื่องอาศัยทั้งสีประการนี้มีการซ้อมความเข้าใจกันตั้งแต่แรกบวชว่าเอาพออาศัยเป็นไป ไม่มีผ้าดีผ้าใช้เก็บตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยปฏิปะต่ะตอกันก็ใช้ได้อาหารไม่มีดีอาศัยที่เขาให้ก็ใช้ได้ที่อยู่ไม่มีดีอาศัยโคนไม้ก็ใช้ได้ยารักษาโรคไม่มีดีเพียงยาดองน้ำมูดก็ใช้ได้นอกจากนั้นยังมีข้อบัญญัติอีกหลายประการไม่ให้ใช้ของที่ทำด้วยทองหรือเงิน หรือก้าววาวสวยงามเกินไปหรือไม่ให้ขอของจากใครต่อใครโดยเขาไม่ได้อนุญาตหรือโดยเขาไม่ได้ปวารณาคือไม่ได้อนุญาตไว้ว่าให้ขอได้ให้ขอได้ในเมื่อมีความจําเป็นจริงๆเช่นในยามเจ็บป่วยไม่ให้มักมากสะสมแม้กระทั่งเก็บอาหารที่รับไว้แล้วให้ค้างคืนเพื่อจะได้บริโภคในวันรุ่งขึ้นในที่สุด ได้ทรงวางหลักใหญ่ไว้ว่าหลักที่หนึ่งจากพระวินัยปิฎกเล่มที่สี่ความทยานอยากเป็นเหตุให้ทุกเกิดดับความทยานอยากได้โดยไม่เหลือเป็นการดับทุกข์และหลักที่สองจากพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มยีสิบสามภิกษุทั้งหลาย ยังไม่ตกเป็นาธาตุของความทยานอยากที่เกิดขึ้นเพียงใดก็ยังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมเพียงนั้นได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นว่าหลักเศรษฐกิจคือการสนองความต้องการของคนแต่หลักชั้นสูงของพระพุทธศาสนามิใช่การสนองหากเป็นการบรรเทาความต้องการที่ไม่จำเป็นและพยายามเป็นนายเหนือความต้องการนั้ น, น, น ผู้ต้องการหาความสุขจึงควรจะได้พิจารณาดูด้วยความรอบคอบอันหนึ่งเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้ก้าวไปสูงกว่าเศรษฐกิจทั้งโลกอีกขั้นหนึ่งทางพระพุทธศาสนาได้เสนอเรื่องทรัพย์ประเสริฐคืออริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในไว้เจ็ดประการคือหนึ่งศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. อิริละอายต่อบาปทุจริต 4. โอตัปปะเกรงกลัวต่อบาปทุจริต 5. ภาพาหุสัจจะสดับตรับฟังหรือเล่าเรียนมา 6. จาคะรู้จักเสยสละ เปัญญาคือมีปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถ้ามีทรัพย์ภายในหรือทรัพย์ประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพย์นี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทรัพย์ภายนอกจะหลั่งไหลมาเองโดยอัตโนมัติโดยกลับกันคนมีทรัพย์ภายนอกที่ไม่มีศีลธรรมประกอบหรือไม่มีทรัพย์ภายในเจข้อนี้ประกอบเลย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 ด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำสัต์จริงข้อที่สองเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนในที่ไหนๆเลยยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนต่างหากธรรมะนี้เป็นของเก่าทั้งสองข้อนั้นจัดธรรมบทพ ร, ระไตรปิฎกเล่ม25ห้า ข้อที่สามความชั่วที่ทำแล้วผู้ใดปิดกั้นเสียด้วยความดีคือเลิกทำชั่วเสียทำความดีแทนต่อไปผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกฉนั้นจากพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มสิบสามเหตุผลทางพระพุทธศาสนาที่ให้แก้ความชั่วด้วยความดี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 เป็นต้องถูกโต้กลับไปอย่างสมใจถ้านึกไม่ออกในขณะนั้นก็ต้องไตรตรองหาคำพูดที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจให้จงได้บางครั้งถึงกับนอนไม่หลับมีเรื่องเล่า ว, ว่าคนเจ้าเรือไปได้สองคงน้ำแล้วเพิ่งนึกคำโต้ตอบได้อุตสาห์เจ้าเรือกลับมาตอบเขาอีกคำสองคำแล้วจึงจากไปลองนึกดูก็ได้ว่า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 พุทธศักราช 2,499 กกล่าวว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนต้องระวังโทษประหารชีวิตอันแสดงว่าความพยาบาทหาได้ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ศัตรู ข, ของเราเท่านั้นไม่แต่ได้กลับมาเป็นอาวุธประหัตประหารเจ้าของความพยาบาทนั่นเองด้วยเมื่อคดีโลกไม่สนับสนุนความพยาบาทแล้วคดีธรรมจะสนับสนุนได้อย่างไร เพราะเหตุนี้ผู้พยายามบรรเทาความอาฆาตพยาบาทจึงเท่ากับเป็นผู้หัดเสียน้อยจะได้ไม่ต้องเสียมากและประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอันเกิดจากกรรมที่ตนก่อขึ้นนั้นแม้จะไม่กล่าวถึงคนที่เสียชีวิตเพราะความพยาบาทของตนชักนำเราก็จะเห็นตัวอย่างอื่นอีกเช่นคนผู้อยู่ในคุกตารางต้องจองจาทาโทษเป็นสิสิปีหรือตลอดชีวิต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 เช่นท่าสอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจรจารู้จักช่วยเจรจาอ่อนหวานไพเราะรู้จักช่วยขวนขวาย่ทำประโยชน์แก่คนอื่นไม่เห็นแก่ตนทายเดียวและรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายไม่กลับกลับกรอกๆเท่าดอทำดีต่อเขาด้วยน้ำใสใจจริงเช่นนี้ก็เป็นการตัดมิให้เขาข่มเหงรังแกเราหรือมุ่งรายเสียสีดาว่าเรา ซึ่งเป็นการระ ง, งับเวรได้อย่างแยบคายที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความพยาบาทอาฆาตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องตัดสินใจในการปฏิบัติตนให้เหมาะแก่เหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใ น, นในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าเวรยยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรอันมีความหมายในทางให้บรรเทาความพยาบาทอาฆาตและมีความหมาย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 ทั้งนี้เพราะเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องสอนิคนมีใจสูงไม่ปล่อยตัวไปตามอำนาจฝ่ายต่ำหมายเหตุผู้อ่านและต้องไม่ลืมเรื่องกดแห่งแรงดึงดูดคือพลังงานทางจิตที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันพลังงานทางจิตที่ตรงข้ามกันจะผลักกันออก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 คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักที่สองไม่มองข้ามเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องตนเองประเด็นที่สเรื่องไม่มองข้ามตนเองในการแก้ปัญหาศีลธรรมโดยปกติคนมักจะเรียกหาศีลธรรมเมื่อตนเองเผชิญเรื่องยุ่งยากที่คนอื่นก่อให้เช่นถูกข่มเหงเบียดเบียนถูกลวงล่อช่อโกงเป็นต้น พอเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก็จะเรียกหาความเป็นธรรมเรียกหาศีลธรรมเรียกหาความยุติธรรมเป็นการใหญ่ทั้งๆ ท, ที่โดยปกติตนไม่เคยเห็นความสำคัญหรือความจำเป็นของศีลธรรมและความเป็นธรรมแต่อย่างไรเลยเคยมีอยู่สมัยหนึ่งในระหว่างสงครามเราได้ยินเสียงบ่นกันมากว่าศีลธรรมเสื่อมโทรมและเสียงที่บ่นนั้นก็ล้วนแต่ซัดไปที่คนอื่นทั้งสิน้น ตกลงจึงเกิดปัญหาว่าเราจะแก้ความเสื่อมโทรมของศิลธรรมที่ใครดีถ้าพิจารณาดูหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่าท่านสอนไม่ให้ลืมตัวเราเองหรือมองข้ามตัวเราเองไปหากให้พิจารณาจัดการที่ตนเราเองก่อนโดยไม่คอยเกี่ยงให้คนทั้งโลกดีหมดแล้วเราจึงจะดีเป็นคนสุดท้ายมีพระพุทธภาษิตบทหนึ่ง จธรรมบทสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม25อับห้าอตตาณเมวะปัทธรังปติรูเปนิเวสเยบุคคลพึงตั้งตนเองนั่นแหละไว้ในทางที่ควรก่อนอันแสดงว่าอย่าเกียงให้คนอื่นดีโดยเราไม่สนใจจะจัดการกับตัวเราเองเลยข้อควรคิดพิจารณาในการส่งเสริมศิลธรรม หรือในการแก้ปัญหาเรื่องศีลธรรมเสื่อมนั้นผู้เขียนได้เคยเสนอไว้เป็นสองทางคือ 1. จัดการกับปัญหาเศรษฐกิจให้เรียบร้อยดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น 2. จัดการกับตัวเราเองและช่วยกันเผยแผ่ความรู้สึกประทับใจรังเกียจความชั่วช้าต่างๆและนิยมในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เฉพาะข้อหนึ่งจะขอผ่านไปเพราะได้กล่าวไว้แล้วส่วนข้อหลังที่ปลูกฝังความรู้สึกประทับใจรังเกยียจความชั่วช้าทุจริตนิยมในคุณความดีต่างๆนั้นความจะชัดขึ้นเมื่อเราสอบสวนดูความฝังใจของเราทั้งหลายในเรื่องอื่นๆในหมู่อิสลามิกระชนเขาไม่เดือดร้อนเลยที่ไม่มีเนื้อหมูขายในท้องตลาดเพราะเขามีประเพณีทางศาสนา ไม่รับประทานเนื้อหมูกันโดยทั่วไปในหมู่คนทั่วไปไม่มีใครรับประทานเนื้อแมวหรือเนื้อสุนักเพราะฝังใจกันมาแต่โบราณโดยหาเหตุผลไม่ได้ดีนักเหตุผลหนึ่งเพราะแมวและสุนัขใกล้ชิดกับคนและเป็นสัตว์เลี้ยงจึงไม่มีใครคิดจะกินแต่คนรุ่นปัจจุบันแม้บางคนไม่เลี้ยงสุนักหรือเลี้ยงแมวก็พลอยไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งสองนี้ไปด้วย คือพลอยฝังใจไปตามชนหมูใหญ่และถ้าถามเหตุผลก็คงตอบได้เพียงว่านึกรังเกียจเพียงแต่พูดถึงก็อยากอาเจียนเสียแล้วเพราะถ้าจะตอบว่าสุนักและแมวสุกปรกเราก็จะเห็นได้ว่าในบางกรณีหมูสุกปรกไม่แพ้สุนักเลยเพราะกินอุจระคนเหมือนสุนักและปลาบางชนิดเช่นปลาหมอที่คนไทยนิยมกินกันนักนั้นก็ปรากฏว่า เป็นปลาที่ชอบกินอุจจาระคนเป็นอันมากแต่เราก็ไม่รังเกียจกันตกลงเมื่อสาวหาเหตุผลกันหนักเข้าก็ต้องโยนให้แก่ความฝังใจความประทับใจว่าอย่างนั้นกินได้อย่างนี้กินไม่ได้และเมื่อเกิดความประทับใจอย่างนี้แล้วก็ไม่กินทั้งในที่ลับและที่แจ้งเมื่อความฝังใจอาจเกิดได้ในกรณีเนื้อสุนัขหรือเนื้อแมวชนิดแล้ว เราก็อาจหัดหรือปลูกฝังให้เกิดความฝังใจเรื่องรังเกียจความชั่วและนิยมความดีได้แต่เรื่องนี้จะต้องทำให้เป็นมติมหาชนโดยการช่วยขยายวงออกไปจากเอกชนและโดยเฉพาะก็คือตัวเราเองก่อนการจะยอมปลูกความฝังใจหรือความประทับใจชนิดนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการพิจารณาถึงเหตุผลในเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เทียบเคียงกันละกันคนที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้นั้นมักจะเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอคนเช่นนี้มักไม่ลืมตนและเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายคนบางคนถึงราวตนเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นฝ่ายเดือดร้อนแล้วจะพยายามวิ่งเต้นอย่างเต็มความสามารถไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เลือกว่าจะผิดจะถูกจะเสียความยุติธรรมหรือไม่ สุดแต่ให้พ้นความทุกข์ร้อนได้ก็เล่ากันแต่พอถึงเราตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นฝ่ายเหนือผู้อื่นก็จะขมขู่หรือเหยียบคนอื่นอย่างปราศจากความราณีเพราะเหตุนั้นทางพระพุทธศาสนาเมื่อสอนให้คนรู้จักฝึกจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาจึงได้จัดลำดับในการแผ่เมตตาไว้สี่ลำดับคือหนึ่ง ให้แผ่เมตตาไปในตัวเองก่อนนึกปรารถนาให้ตนมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อจะได้ตนเองเป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นการแผ่เมตตาในตัวเองนี้ทำได้ง่ายที่สุดแม้ไม่หัดคนก็มีความรู้สึกกันอยู่โดยปกติแล้วแต่ถ้าหัดแผ่เมตตาในตนเองก็จะเป็นการก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นแรก เพื่อก้าวไปยังขั้นอื่นต่อไป 2. เมื่อแผ่เมตตาในตนเองจนเห็นประจักษ์แก่ใจถึงความรู้สึกรักตนของเราแล้วในลำดับต่อไปให้หัดแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเช่นพ่อแม่บุตรภรรยาสามีหรือคนที่เป็นญาติมิตรซึ่งแผ่ได้ง่ายเป็นลำดับที่สอง 3. และจึงแผ่เมตตาไปนในบุคคลที่เรารู้สึกเฉยเฉยไม่รักไม่ชังหรือเป็นผู้ที่เราไม่ค่อยมีความสนใจเท่าไรนัก 4. ต่อจากนั้นจึงหัดแผ่เมตตาขั้นยากที่สุดคือแผ่เมตตาในคนที่เป็นศัตรูเพราะตามปกติคนเรามักจะคิดแต่ให้ศัตรูพินาศย่อยยับพอใจ ที่จะเห็นศัตรูมีอันเป็นไปต่างๆแม้เช่นนั้นทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีใจสูงพอที่จะหัดให้อภัยและให้มีความปรารถนาดีต่อศัตรูใครไม่เคยหัดจะลองหัดดูบ้างก็จะเป็นการดีเพราะเรามักจะได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นคนคนนั้นแล้วก็จะขอผูกพยาบาทหรือผูกโกรธตลอดไปยากที่จะมีใครหัดยกระดับจิตใจให้สูง โดยให้อภัยแก่ศัตรูและแผ่ความปรารถนาดีไปยังบุคคลเหล่านั้นได้เป็นอันขอสรุปไว้ในท้ายบทนี้อันว่าด้วยคุณในลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาว่าด้วยการส่งเสริมศีลธรรมว่าการนึกถึงอกเขาอกเราหรือเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งคู่เคียงกับหลักเศรษฐกิจส่วนบุคคล ในที่ใดไม่มีการเห็นอกเห็นใจกันในที่นั้นจะมีการแบ่งแยกเป็นพวกเขาพวกเราคอยจ้องจับผิดหาความกันและคอยปกปิดความผิดของตนขยายความผิดของคนอื่นที่มีเพียงเล็กน้อยให้ดูใหญ่โตขึ้นความเมตตากรุณาแม้จะเป็นคุณธรรมชั้นสูงละเอียดอ่อนยังความร่วมเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแต่ถ้าคนเรา ยังไม่ยอมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ยอมเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ยากที่คนจะปลูกฝังความเมตตากรุณานั้นในจิตใจของตอนเองได้จะปลูกฝังได้ก็เฉพาะความเมตตากรุณาต่อตอนเองฝ่ายเดียวแล้วเหยียบย่ําผู้อื่นให้แหลกรานลงไปเรื่องควรจะเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ควรจะให้อภัยได้กลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไปเพราะฉะนั้น คุณลักษณะข้อนี้ของพระพุทธศาสนาจึงช่วยแผ่สันติสุขให้พร่หลายไปอย่างแท้จริงคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักที่สามธรรมมาทิปไตยถือความถูกต้องเป็นใหญ่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 ข้อธรรมเรื่องอธิปไตยสามนี้มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกพระไตยปิฎกเล่ม20บหน้าห8 6เล่ม11หน้า231และในวิสุทธิมรรคศิลานิเทศหน้า16เป็นแต่ไม่มีข้อทิ่ติอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยไว้โดยตรงหากชี้ให้เห็นความดีกว่ากันอยู่ในตัวของอธิปไตยทั้งสข้อนี้แต่พระพุทธภาษิท ที่ยกธรรมมาทิปไตยโดยตรงมีอยู่คือในพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มย0สบหน้า138ทรงสแสดงคุณธรรมของพระเจ้าจากักรพรรดิเทียบเคียงกับคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่บาลีว่าธรร ม, มาธิปเตยะแปลงเป็นไทยว่าธรรมมาทิปไตยซึ่งประกาศความที่พระพุทธศาสนา ยกย่องธรรมาธิปไตเป็นเลิศก่อนที่จะกล่าวเรื่องอื่นต่อไปขอให้เราวิเคราะห์เรื่องอธิปไตสามเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นมูลฐานแห่งความเข้าใจในหลักแห่งพระพุทธศาสนาอธิปไตหรือความเป็นใหญ่สามอย่างที่แสดงในหลักพระพุทธศาสนาคือหนึ่งอัตตาธิปไตถือตนเป็นใหญ่ปรารบตน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 รั้นพ่อแม่ของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเข้ามาช่วยลูกของตนบ้างเรื่องของเด็กก็เลยกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ถึงฆ่าฟันประชดสร้ายกันอย่างน่าสลดใจโบราณจึงสอนไว้ว่าอย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายตรงโทษคนหรือปากใจว่าคนนี้คนนั้นผิดหรือเลวซามเพียงฟังคนอื่นบอกเล่าเพราะผู้บอกอาจจะพูดตามข่าวซึ่งไม่เป็นจริง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 ยกตัวอย่างเช่นการนับถือศาสนาถ้าเราถือธรรมคือความถูกความตรงเป็นใหญ่เราก็จะไม่เพียงนับถือตามบรรพบุรุษแต่จะมีเหตุผลของตนเองสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ใช่นับถือเพราะกลัวหรือเพราะหลงผู้เขียนขอเสนอการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสิน หรือชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นมงคลใน่าำกลางข้อโต้แย้งของคนทั้งหลายซึ่งตามประวัติปรากฏว่ามีการตกเถียงกันอยู่ถึงส2องปีบางว่ามงคลอยู่ที่การเห็นเช่นตื่นเช้าเห็นหญ้าเขียวสดเป็นมงคลบางว่าอยู่ที่การได้ยินถ้อยคำอันเป็นมงคลบางว่าต้องเอามูลโคสดเจิมหน้าจึงเป็นมงคลในปัจจุบันนี้เราเรียกได้ดิบ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 ผู้เขียนขอประมวลเหตุการณ์และหลักคำสอนในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากล่าวไว้ในบทนี้เพื่อแสดงหลักธรรมมาธิปไตยของพระพุทธศาสนาให้เห็นชัดเป็นข้ อ, ข, อข้อไปคือ 1. ข้อความต่างๆที่เกี่ยวด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการที่พระพุทธศาสนาสอนที่เลิกธาตไม่ให้ดูหมินเย็ดยามกันเพราะเรื่องชาชันวันนาะ ไม่ให้ติดในเรื่องเืิองามยามดีหรือน้ำมนไม่ให้หลงหลายนิริตเดชรวมทั้งสอนให้มนุษย์มีจุดนัดพบกันที่ศิลธรรมดังดีกล่าวมาแล้วในบทต้นๆของหนังสือนี้อาจชี้ได้ว่าการที่ทรงสั่งสอนไว้อย่างมีคุณลักษณะพิเศษอันน่าชื่นชมเช่นนั้นก็พระงคงใช้หลักธรรมาที่ประไตยคือถือธรรมเป็นข้อใหญ่ข้อเดียวความดีงามน่าเลื่อมใสต่างๆก็ตามมา 2คำสั่งสอนของศาสดาาจารย์เจ้าลทัทธิอื่นจากพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าถูกถ้าชอบแล้วพระองค์ก็ทรงรับว่าถูกว่าชอบไม่ใช่สักว่าเป็นศาสนาอื่นแล้วก็จะต้องประนามกันทันทีคำสอนของใครก็ตามถ้าสอนถูกก็ใช้ได้ด้วยกันแต่จะถูกมากถูกน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่ศาสนิกชนจะพึงใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลดูด้วยตนเองข้อนี้ยิ่งแสดงความเป็นธรรมาธิปไตยแห่งพระพุทธศาสนายิ่งสูงยิ่งในประวัติทางพระพุทธศาสนาจึงมีว่าภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังหญิงเก็บฟืนร้องเพลงในป่าแต่เนื้อเพลงเป็นคติสอนใจเลยนำอามตารองสอนตัวเองและได้บรรลุมรรคผลในที่สุดเรื่องนี้จึงวินิจฉัยได้ว่า ธรรมหรือธรรมะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครจะเป็นคนกล่าวถ้ารู้จักถือเอาประโยชน์แล้วก็ใช้ได้ทั้งสิน้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่อายุร้อยปีไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมสู้คนมีอายุวันเดียวแต่ตั้งอยู่ในศิลธรรมไม่ได้คำเปรียบอย่างนี้ใช้หลักธรรมาธิปไตยนี้เอง ข้อที่สาครั้งหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นว่าข้ารือหัดหรือบรรพชิตจะดีกว่ากันพระพุทธเจ้าจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นกลางเป็นธรรมและเป็นธรรมาทิปไตยแท้พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่สนเสริญการปฏิบัติผิดของคนทั้งสองประเภทคือข้ารืหัและบรรพชิต คฤหัสถ์ก็ตามบันพชิตก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติผิดแล้วยอมไม่ได้ชมซึ่งยะธรรมอันเป็นกุศลเพราะเหตุคือการปฏิบัติเป็นมูลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราสรรเสริญการปฏิบัติชอบของคนทั้งสองประเภทคือคฤหัสถ์และบันพชิตคฤหัสถ์ก็ตามบันพชิตก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วยอมได้ชมยญธรรมอันเป็นกุศลเพราะเหตุ คือการปฏิบัติชอบเป็นมูลข้อความจากอังกุตรนิกายทุกการนิบาทพระไตปิดอกเล่มยี่สิบเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงอาศัยหลักธรรมาทิปไตยต่อปัญหานี้ได้อย่างดียิ่งจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคริหัสหรือบรรพชิตถ้าประพฤติดีแล้วพระองค์ก็ทรงสรรเสริญ ถ้าพระพฤติผิดแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญทั้งนั้นความถูกต้องจึงไม่ใช่อยู่ที่เพศที่บุคคลแต่อยู่ที่ธรรมไรยตั้งอยู่ในธรรมคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบข้อที่สี่เรื่องปรากฏ ในปรวรณาสูตรสังยุตตนิยสขัตว์พระไตรปิฎกเล่มสิบห้าเล่าว่าในวันปรวรณาคือวันขึ้นส5ห้าค่ำเดือน11อคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณบุพารามซึ่งหนังวิสาขาสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีมีพระอาหารหันตสาวกจำนวนประมาณ500รอรูปร่วมประชุมอยู่ด้วยตามประเพณีทางพระวินยัย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 ในพรพราาุทธข้อที่หพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ปรากฏในอิติวุตกะพระสุตตันตะปิฎกพระตตยปิฎกเล่ม25หใจความว่าภิกษุที่จับชายสังคติของพระองค์ติดตามพระองค์ไปทุกฝีก้าว แต่จิตใจยังประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงความไม่ดีไม่งามต่างๆภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลพระองค์และพระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ไกลภิสษุรูปนั้นทั้งนี้เพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นพระองค์ส่วนภิกษุผู้อยู่ไกลพระองค์แม้ร้อยโยตแต่จิตใจไม่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงและความไม่ดีไม่งามต่างๆ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 ถ้าแปลโดยลำดับถ้อยคําจะต้องแปลว่าเป็นผู้มีอภิชาความโลภมีความกำหนัดกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจในทางประทุษร้ายเป็นผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์ปรากฏซึ่งเมื่อจัดประเภทเข้าในอกุศลธรรมแล้วก็รวมอยู่ในโลกโกรธหลง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 จึงเป็นธรรมมาที่ประไตยที่มีเหตุผลและเป็นคติเตือนใจจูงให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้เสมอข้อที่6ในสมัยเมื่อใกล้จะปรินิพัน์พระองค์ทรงปรารภการที่พุทธบริษัทบูชาพระองค์ เป็นใจความว่าการบูชาพระองค์ด้วยอามิตรบูชามีดอกไม้เป็นต้นยังไม่ชื่อว่าบูชาแท้แต่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบตามทํานองคลองธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเคารพสักการะนับถือบูชาพระตถาคตด้วยบูชาอันยอดเยี่ยมจากมหาปรินิพพานใสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบ เป็นอันแสดงว่าปฏิบัติบูบชาหรือธรรมบูชานั้นเป็นบูชาอันสูงสุดกว่าการบูชาด้วยอามิรเช่นทูปเทียนดอกไม้ถ้าจะพิจารณาโดยใกล้ชิดแล้วก็เป็นการสั่งสอนอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองค์ไม่ถือพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับเครื่องสักร a บูชาข้อสำคัญขอให้คนทั้งหลายปฏิบัติดีปฏบิบัติชอบเข้าไว้ก็จะชื่อว่าบูชาพระองค์ไปเอง เป็นการต้อนคนเข้าหาคุณความดีอย่างสมกับที่หลักการแห่งศาสนานี้คือธรรมาทิปไตยคือถือธรรมเป็นใหญ่เป็นการเตือนจิตให้ศาสนิกชนสํนนึกอยู่เสมอว่าการประพฤติปฏิบัติสำคัญยิ่งกว่าพิธีกรรมหรือเครื่องประกอบอื่นเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ยากจนไม่มีเครื่องศักการะบูชางดงามหรือมีราคาแพงได้ใช้บูชาด้วยปฏิบัติ อันจะทำให้มีฐานะสูงยิ่งกว่าคนที่บูชาด้วยอามิตรการนับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีอะไรกีดกันคนยากจนหรือคนชั้นต่ำให้ต้องรู้สึกมีปมด้อยแต่อย่างไรเพราะเมื่อถือธรรมเป็นใหญ่แล้วทุกคนก็มีสิทธิปฏิบัติธรรมได้ด้วยกันทั้งสิน้น ข้อที่7็ก่อนจะปรินิพานอีกเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้มีมาในมหาปรินิพานใสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบตรัสว่าดูก่ อ, อานน์ทมละวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายทมละวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปพระดารานี้ ชี้ให้เห็นชัดว่าในพระพุทธศาสนาไม่ถือผู้นั้นผู้นี้เป็นประมาณหากถือธรรมเป็นสำคัญถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงตั้งผู้นั้นผู้นี้แทนก็จะต้องตั้งกันสืบสืบไปไม่มีสิ้นสุดเพราะบุคคลมีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าถือธรรมวินัยเป็นหลักนานเท่านานก็จะเสมือนหนึ่งพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ เพราะแม้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่สําคัญที่เนื้อหนังพระองค์ทรงชี้อยู่เสมอว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมเนื้อหนังของพระองค์ตกอยู่ในสภาพธรรมดาคือจะต้องเปื่อยเน่าสุดโทมไปเช่นมนุษย์อื่นๆแม้ในการทรงธรรมแสดงถึงบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นผู้นั้นผู้นั้นก็ทรงแสดงว่าไม่ได้เป็นเพราะชื่อที่เรียกอย่างเดียว ต้องมีคุณธรรมด้วยเช่นที่ตรัสว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเพราะวินิจฉัยคดีได้รวดเร็วแต่ผู้ใดเป็นบัณฑิตแยกเรื่องถูกเรื่องผิดได้ตัดสินคนโดยไม่ผลุนผันโดยธรรมโดยเสมอภาคผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้คุ้มครองธรรมยอมเรียกได้ว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม บุคคลไม่เป็นบัณฑิตเพียงเพราะพูดมากต่อเป็นผู้ปลอดโปร่งจากความชั่วไม่มีเวรไม่มีภัยจึงเรียกได้ว่าเป็นบัณฑิตบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมงอกวัยอันแก่ของเขายังเรียกว่าแก่เปล่าแต่ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะมีความไม่เบียดเบียน มีความสมรวมมีการฝึกตนเป็นผู้มีปัญญาคลายมลทินโทษเสียได้ผู้นั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่คำว่าคลายมลทินโทษเสียได้นั้นคลายในที่นี้หมายถึงคือไม่โอมไว้บุคคลยังไม่ชื่อว่าเป็นสาธุชนเพียงเพราะพูดจาเก่ง หรือเพราะมีรูปร่างงดงามแต่ยังมีความริษยามีความตรณีและขี้อวดผู้ใดถอนรากความชั่วทุกชนิดเหล่านั้นได้ผู้นั้นเป็นผู้คายโทษมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นสาธุชนบุคคลย่อมไม่เป็นสมณะเพียงเพราะมีศรีศรษะล้นคนที่ไม่มีวัดพูดพล่อย ประกอบด้วยความปรารถนาความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรผู้ใดสงบบาปน้อยใหญ่เสียได้ด้วยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าสมณะได้เพราะสงบบาปทั้งหลายบุคคลย่อมไม่เป็นภิกษุเพียงเพราะเที่ยวขออาหารคนอื่นสมาทานธรรมอันเป็นพิษแล้วจะเป็นภิกษุเพราะเหตุนั้นไม่ได้ ผู้ใดลอยบุญลอยบาปเป็นผู้พระพตทธรงมาจันยร์พิจารณาโลกด้วยปัญญาผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นภิกษุตัว อ, อย่างเห็นการแสดงธรรมอย่างตรงไปตรงมาโดยถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยในธรรมบทขุตการนิกายพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าซึ่งยกมาแปลปีบางตอนนี้ ย่อมทำให้เราแน่ใจรวมทั้งตัดสินบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องใครจะปลอมแปลงทำตนเป็นบัณฑิตหรือปลอมเพศเป็นสมณะแต่ไม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมความจริงก็จะปรากฏให้ตัดสินได้เองผู้เข้าใจในหลักธรรมมาทิปไตยดีแล้วย่อมปลอดโปร่งสบายใจในที่ทุกสถานเพราะไม่ถูกความหลงผิดจักจูงให้หลงไหลไปด้วยประการต่าง คุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาข้อนี้นับเป็นเลอจริงๆข้อหนึง่งในคุณลักษณะทั้งหลายซึ่งผู้ใช้ปัญญานับถือศาสนาย่อมพากันเห็นจริงและยกย่องโดยทั่วกัน คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหลักสําคัญข้อที่4สอนให้ใช้สติปัญญาและให้แก้ไขความทุกข์อย่างถูกทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเน้นหนักในเรื่องการใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตให้รู้จักกําจัดความทุกข์ความเดือดร้อนโดยการพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์และแก้ไขให้ถูกทาง ไม่ให้เชื่อถื อ, อย่างงงงายไร้เหตุผลในบทนี้ขอตั้งประเด็นเป็นสองประการคือพระพุทธศาสนาสอนเน้นหนักในเรื่องการใช้สติปัญญาอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักแก้ไขความทุกข์อย่างถูกทางซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันคือเมื่อใช้สติปัญญาก็เป็นเหตุให้แก้ความทุกข์ความเดือดร้อนได้ ในประเด็นแรกที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนเน้นหนักในเรื่องการใช้สติปัญญานั้นผู้เขียนออกจะใช้คำบัญญัติตามภาษาไทยไปสักหน่อยคือในภาษาไทยเรามีคำบัญญัติคำหนึ่งได้แก่สติปัญญาแปลมาจากคำว่า intelligence ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เคยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาแล้วโดยเฉพาะในทางจิตวิทยาได้ใช้คำนี้กันแพร่หลาย ตามคำบัญญัติของคณะกรรมการบัญญัติพั์ถ้าพูดตามภาษาศา ส, สนาสติกับปัญญามีได้ใช้คู่กันแต่ใช้คำว่าสติคือความระลึกได้สัมปัชชญญะความรู้ตัวเป็นคู่กันซึ่งก็เท่ากับสติและปัญญาดูคำอธิบายข้างหน้า คำว่าสติปัญญาที่แปลมาจากคำ intelligence นั้นถ้าใช้ถ้อยคำตามภาษาศาสนาใช้ปัญญาคำเดียวก็พอเพราะปัญญาที่ดีจะต้องมีสติกากับด้วยดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้าผู้เขียนใกรเสนอให้ท่านผู้อ่านสังเกตว่าในพระพุทธศธา ส, สนานั้นไม่มีที่ไหนเลยเมื่อกล่าวถึงศรัทธาความเชื่อเราจะไม่กล่าวถึงปัญญากากับไว้ด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดเหลือกเกินว่าในที่ใดใช้ศรัทธาความเชื่อในที่นั้นจะต้องใช้ปัญญามีกำกับไว้ด้วยเสมอความเชื่อที่มีปัญญากำกับเพื่อให้เป็นหลักฐานผู้เขียนจะเสนอหลักธรรมที่ศรัทธา ก, กับปัญญามาคู่กันไว้เท่าที่ค้นได้คือหนึ่ง สัมปารายกัตถะประโยชน์อนาคตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมหรือธรรมะเป็นเหตุให้สมหมายในสิ่งที่สมหมายได้ยากสประการจากพระไตรปิฎกเล่มยี่สบและเล่มย23าได้แก่ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อศิสลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจากฆาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญา 2. เวสารัชกรณธรรธรรมธรรมะที่ทำให้กล้าหารหาประการจากพระไตรปิฎกเล่ม22บสองได้แก่ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อศีล รักษากายวาจาให้เรียบร้อยพาหุสัจจะการได้สดับรับฟังมากวิริยารำภาปรัถนาความเพียรและปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ 3. พละธรรมะที่เป็นกำลังและอินทรีย์ ธรรมะที่เป็นใหญ่ห้าประการจากพระไตรปิฎกเล่ม22ได้แก่ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้ อริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเจ็ประการจากพระไตรปิฎกเล่ม23สาได้แก่ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อศีละหรือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอิริละอายต่อบาปทุจริตโอตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต ภาหุสัจจาได้ยินได้ฟังมากจารคสละให้ปันและปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ข้อที่หสัพพุริสธรรมธรรมะของคนดีเจประการจากพระไตรปิฎกเล่ม23สาได้แก่ ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่ออิริละอายต่อบาปทุจริตโอตต ป, ปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตพาหุสัจจะได้ยินได้ฟังมากวิริยะความเพียรสติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้พึงสังเกตในที่นี้ว่า สติมาใกล้เคียงกับปัญญาและศรัทธาคงมีปัญญากำกับด้วยเช่นเคยการไม่ให้เชื่อในทางที่อ่านผิดพลาดสิบประการในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกะชนขึ้นใจกันมากถึงคำสอนในการลามสูตร ที่สอนไม่ให้ด่วนเชื่อในทางที่อาจผิดพลาดได้10บประการปรากฏในพระสุตตันตปิฎกพระไตปิฎกเล่มยี่สิบอย่าถือโดยฟังตามกันมา 2. อย่าถือโดยนำสืบๆกันมา 3. อย่าถือโดยเชื่อข่าวลือ 4. อย่าถือโดยอ้างตำรา หอย่าถือโดยนึกเดาเอาหอย่าถือโดยคาดคะเนเจอย่าถือโดยตรึกตามอาการ8อย่าถือโดยชอบว่าตรงกับความเห็นของตนเกอย่าถือโดยเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้1ลสิบอย่าถือโดยนับถือว่าท่านผู้นี้ เป็นครูของเรราัร้นแล้วได้มีคำสอนว่าควรจะเชื่ออย่างไรต่อไปอีกว่าเมื่อใดท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอากุศลมีโทษนักราติเตียนเมื่อทำแล้วย่อมให้เกิดแต่ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์และความทุกข์ท่านควรจะละธรรมะเหล่านั้นเสีย ธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษนักปราศ น, น์เสริญเมื่อทมแล้วย่อมให้เกิดประโยชน์และความสุขท่านควรเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นอยู่หลักธรรมนองเดียวกันนี้มีตรัสไว้หลายแห่งเช่นในพัทธิยาสูตรพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกและมีสิบเอ็ดก็ส่งสอนไว้เช่นเดียวกันคาสอนนี้ฝรั่งสนใจมากและถือว่าเป็นวิธีค้นความจริง ที่ต้องตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงหมายเหตุผู้อ่านคำว่าอย่าถือโดยนั้นปัจจุบันท่านมีมติตรงกันให้แปลว่าอย่าปลงใจเชื่อซึ่งจะเป็นคำปลที่ตรงความหมายมากกว่าคืออย่าพึ่งด่วนเชื่อให้ฟังและพิจารณาว่าเชื่อได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าห้ามเชื่อไปทั้งหมดนะครับ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 3. ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน 4. ส, สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรุงเรืองยิ่งด้วยปัญญาหาคนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐสุดดุดดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลายสีสง่าธรรมของคนดียอมเป็นของติดตามผู้มีปัญญา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 ซึ่งเทียบด้วยมีปัญญาบางทีก็จะกลายเป็นนึกขันตัวเองที่หลงกลัวโน่นกลัวนี่โดยเข้าใจผิดประเภทของปัญญาในพระพุทธศาสนาจัดประเภทของปัญญาไว้หลายอย่าง ขอนำมากล่าวไว้พอเป็นสังเขปดังนี้ปัญญาสองจากวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศ 1. โลกิยะปัญญาปัญญาขั้นโล ก, กีคือวนอยู่ในโลก 2. โลกุตระปัญญาปัญญาขั้นโลกุตระคือข้ามพ้นจากโลก ปัญญาสองจากพระไตรปิฎกเล่มย0 1. สิบเสขาปัญญาหรือเสขะปัญญาปัญญาของผู้ยังต้องศึกษาคือพระเสขะหมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์อเสขาปัญญาหรืออเสขะปัญญาปัญญาของผู้ไม่ต้องศึกษา คือพระอาเศคะผู้หมดยิเลสแล้วหรือพระอระหันต์ปัญญาสจากพระไตรปิฎกเล่มส1บอ็ดหนึ่งจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด 2. สุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง หรือการศึกษา 3. ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมคือปฏิบัติปัญญา 3. จากอภิธรรมมัทธวิภาวินี 1. อายะโกสนฉลาดรู้ในความเจริญ 2. อปายะโกศลฉลาดรู้ในความเสื่อมสมอุปายะโกศลฉลาดรู้ในวิธีการปัญญาสี่จากพระไตรปิฎกเล่มสิบเอ็ดหนึ่งความรู้ในทุกข์คือทุกขทุกสอง ความรู้ในเหตุให้ทุกเกิดคือทุกคาสมุทยัย 3. ความรู้ในความดับทุกข์คือทุกคานิโรธ 4. ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ดมีข้อพึองสังเกตในเรื่องปัญญานี้ว่า ทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าปัญญาที่มีติดตัวมาเช่นชาววัยวัพริปเป็นปัญญาขั้นสูงสุดแต่ถือว่าปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้นด้วยการคิดการศึกษาและการปฏิบัติจึงเป็นปัญญาสูงสุดที่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้ทั้งนี้เพราะชาววัยวัพริปเป็นของมีได้ไม่เหมือนกันส่วนปัญญาประเภทที่อบรมให้เกิดได้นั้น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 จึงเป็นศาสนาที่ไม่สอนให้แขวนชีวิตไว้กับโชคชะตาหากแค่รู้จักธรรมหรือสร้างสิ่งที่ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ตนสติที่มาคู่กับปัญญาได้กล่าวแล้วในสัพุริสธรรม คือธรรมะของคนดีเจ็ดประการว่าสติที่มาใกล้ชิดกับปัญญามีอยู่เหมือนกันคนไทยเราเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าการมีแต่สติก็คือมีแต่เฉลียวแต่ไม่มีฉลาดการมีแต่ปัญญาก็คือมีแต่ฉลาดโดยขาดเฉลียวใครที่ฟุ้งเกินไปเขาจึงล้อกันว่าปัญญาเกินสติบางท่านจึงอธิบายว่า สติสัมปชัญญะนั้นไม่ใช่อื่นไกลคือสติที่มาคู่กับปัญญานั่นเองดังจะเห็นได้ในอัตถกถาทุกครนิบาศอังคุตรนิกายภาคสองว่าการขาดสัมปชัญญะก็คือไม่มีญาณหรือปัญญาผู้เขียนแก่อธิบายเรื่องสติกับปัญญาซึ่งต้องอาศัยกันไว้ว่าเปรียบเหมือนดินกับน้ำดินเปรียบเหมือนปัญญา ถ้าไม่มีธาตุน้ำผสมอยู่ด้วยเลยก็กลายเป็นดินฝุ่นและไม่จับกันทำให้ฟุ้งง่ายต้องมีน้ำผสมอยู่บ้างจึงช่วยให้ไม่ฟุง้งเพราะฉะนั้นท่านผู้อ่านพึ่งทราบว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาต้องเป็นปัญญาที่มีสติกากับอยู่เสมอดังจะเห็นได้ว่าเรายกย่องพระอรหันต์ว่าท่านมีปัญญาสูงสุดเป็นเหตุทาลายกิเลสได้ ก็มีคำยกย่องพระอรหันต่อไปอีกว่าเป็นผู้มีสติทุกเมื่อในพระวินยัยมีการยกประโยชน์ให้พระอรหันต์เมื่อมีใครโจดท้วงเมื่อยกสติวินยัยขึ้นมาชี้แจงว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติอยู่เสมอก็เป็นอันยกฟ้องโจ์ได้เลยเพราะฉะนั้นคาผู้ที่พูดติดปากคนไทย เมื่อพูดถึงปัญญาก็มักจะพูดว่าสติปัญญานั้นนับว่าเหมาะและถูกต้องตามหลักธรรมอยู่มากผู้เขียนจึงใช้คำนี้ในหัวข้อเรื่องด้วยการใช้ปัญญาแก้ถูก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 การแก้ทุกตามหลักอริยสัจอริยสัจคือทุกข์สมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกมิรอความดับทุกข์ละมักข้อปฏิบัติหรือทางสู่ความพ้นทุกข้ขอที่หนึ่งให้รู้จักตัวความทุกข์ก่อนว่าได้แก่อะไรบางครั้งอาจเข้าใจสับสน เห็นสุขเป็นทุกข์หรือเห็นทุกข์เป็นสุขฉะนั้นจึงต้องถือหลักว่าทุกข์มีสามชนิดคือทุกข์ประจาได้แก่ความเกิดความแก่ความตายทุกข์จรนได้แก่ความโศกความคร่ำรวญความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนประจวบ ก, กับอารมณ์ไม่เป็นที่รัก ตั ร, รากจากอารมณ์อันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นและทุกชนิดที่สามทุกรูปยอดได้แก่ขันห้คือร่างกายจิตใจที่เรายึดถือซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ต, ต, ต่างห้าส่วนเป็นเรื่องกายหรือที่เรียกว่ารูปหนึ่งส่วนและเป็นเรื่องของจิตใจหรือที่เรียกว่านามสี่ส่วน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 คือความทยานอยากในกามเรียกกาฏาฏหาหนึ่งความทยานอยากในภพคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวะตันหาหนึ่งความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่คืออยากให้พ้นไปให้สูญไปจากภาวะหรือภพนั้นๆเรียกว่าวิภาวะตันหาหนึ่ง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 ซึ่งทางพระพุทธศาสนาชี้แจงว่าการดับทุกนั้นไม่ใช่ดับผลต้องดับเหตุผลจึงจะดับไปด้วยถ้าดับแต่ผลเหตุยังอยู่ทุกก็จะต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นการดับความทุกในที่นี้จึงได้แก่ดับความทยานอยากทั้งสามนั้นได้โดยเด็ดขาดที่ว่าต้องดับได้โดยเด็ดขาดนั้นหมายถึงความดับโดยสมบูรณ ถ้าดับได้น้อยทุกก็ยังเหลืออยู่ตามความมากน้อยของความทยานอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกนั้นมาเหตุผู้อ่านสำหรับคำวันิโรดนั้นสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ปออปยุตโตท่านชี้แจงเรื่องนี้ไว้ว่าการแปลว่าความดับทุกนั้นเป็นการแปลให้เข้าใจกันอย่างครา่าวๆแต่ความจริง นิโรธคือภาวะแห่งการไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหมายถึงภาวะที่ไร้กิเลสตัณหาอุปาทานแล้วเป็นภาวะแห่งความสิ้นทุกข์ข้อที่สี่ให้รู้จักมักคือรู้จักว่านิโรธความดับทุกข์หรือความสิ้นทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นลอยลอยไม่ได้จะต้องมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น ข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสายกลางบ้างเรียกอริยมรรคคือทางอันประเสริฐบ้างมีองค์ประกอบ8ประการบาลีเรียกว่าอริยอัฏฐานกิกมรมร์หรืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งอาจย่อสั้นๆลงเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่ว่าในขั้นแรก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 สสัมมาการมันตะกระทำชอบ 5. าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบจัดเข้าในศีลหสัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ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 หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนะครับรายละเอียดเรื่องอริยศาส์นี้ผู้เขียนได้วรวบรวมเขียนขึ้นเล่มหนึ่งต่างหากแล้วให้ชื่อว่าอาริยศาส์คืออะไรผู้สนใจจะหาอ่านได้นในเรื่องนั้นในที่นี้จะแสดงตัวอย่างว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความทยานอยากอย่างไรและมรรคแดหรือข้อปฏิบัติ ใหถึงความดับทุกนั้นเมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นปัญญาข้อเดียวทําหน้าที่ดับทุกได้คือทั้งแปดข้อนั้นเมื่อปฏิบัติไปก็จะกลมกลืนกันหรือหลอมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมกันทําหน้าที่เป็นแสงสว่างคือปัญญากําจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์คือความทยานอยากเราลองสอบดูก็ได้ ทุกเรื่องที่เรารู้สึกทุกข์ร้อนกระวนกระวายนั้นถ้าเรามีความทยานอยากปนอยู่มากเท่าใดเราก็เพิ่มความทุกข์ร้อนมากขึ้นเท่านั้นคนที่คอยรถประจำทางรถยังไม่มาถ้ายิ่งอยากจะไปเร็วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งช้าทั้งๆ ท, ที่เวลาหรือนาฬิกาไม่ได้ช้าไปกว่าปกติเลยหรือคนที่นั่งบนรถรางรถรอหลีกเสียเวลาก็แสดงอาการหึดหัด ไม่รู้ว่าจะบ่นเอาแก่ใครก็กลับคนขายตัว๋วผู้ไม่มีหน้าที่ทำให้รถอีกคันหนึ่งมาได้เร็วตามที่เราต้องการได้เลยเราจะหึดฮัดหรือบ่นสักเท่าไหร่ถ้ายังมาไม่ถึงการบน่นหรือการที่เราร้อนรุวงกลุ้มใจไม่ได้ทำให้รถมาเร็วขึ้นได้เลยแต่เราก็สมัครจะบน่นจะแสดงอาการหงุดหงิดก็เพราะว่าเราอยากจะไปเร็วๆนั่นเองราวนี้ตรงกันข้าม เราอยากจะนั่งรถรางฆ่าเวลาเพราะมีธุระจริงตอน16นาฬิกาแต่นี้เพิ่งจะ15นาฬิกาไม่รู้จะไปไหนก็ขึ้นรถรางดูเรายิ่งอยากจะให้ช้าคราวนี้ดูเหมือนรถรางเกิดจะเร็วขึ้นเสียอีกแล้วอะไรต่ออะไรในโลกนี้คล้ายจะคอยแกล้งฝืนความปรารถนาของเราทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ส่งความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราจะไม่รู้สึกกระวนกระวายใจเลย หรือในเรื่องอื่นเช่นการสอบไล่เด็กนักเรียนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวของเราบางคนแทนที่จะคิดแก้ไขให้ถูกเรื่องด้วยการขยันหมั่นเพียรไว้แต่ต้นปีมัวประมาทเสบ้างคิดว่ายังมีเวลาบ้างเลยเตรียมตัวไม่พร้อมหรือบางคนเตรียมตัวมากเกินไปจนในเวลาสอบมองเห็นตัวหนังสือเป็นสองบรรทัดตาพร่างงงไปหมดเพราะดูหนังสือมากจนไม่หลับไม่นอน บางคนก็คิดหาวิธีลัดโดยไปบนบานสารกล่าวขอเจ้าพ่อหลักเมืองบ้างพระแก้วมรกรบ้างบางคนเป็นทุกเป็นร้อนในเรื่องสอบจนไม่เป็นอันกินอันนอนทั้งนี้เพราะความทยานอยากเรื่องจะสอบไล่ให้ได้นั้นรุนแรงมากเมื่อประกาศผลถ้าสอบตกก็เลยเสียใจถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็มีกันบ่อยๆ ที่พูดอย่างนี้คลายไม่เห็นอกเห็นใจคนสอบตกใครสอบก็อยากได้ทั้งนั้นสอบตกจะไม่ให้เสียใจอย่างไรขอตอบว่าถ้าจะเสียใจบ้างก็ขอให้เป็นไปในลักษณะปกติธรรมดาอย่าให้ถึงคิดฆ่าตัวตายหรือตีโพยตีพายอะไรมากเกินไปจนถึงกับตีราคาชั้นที่จะสอบไล่ขึ้นไป น, นั้นสูงกว่าชีวิตทั้งชีวิต การเสียเวลาไปเพียงหนึ่งปีจะถึงกับต้องฆ่าตัวตายก็คล้ายกับว่าหนึ่งปีนั้นจะประสิทธิประสาทอะไรที่วิเศษหนักหนาให้แก่เราซึ่งทาไม่ได้แล้วจะหมดหวังตลอดชีวิตก็เปล่าทั้งสิน้นผู้ที่สอบได้ไปก่อนอาจไม่เจริญเท่าผู้สอบได้ทีหลังก็ได้เพราะความเจริญไม่ใช่เพียงพระสอบไล่ได้แต่ต้องอาศัยความประพฤติปฏิบัติและการวางตน การรู้จักช่วยตนอย่างอื่นอีกมากมายรวมความแล้วก็อย่าไปโทษนั่นโทษนี่เลยโทษความอยากของเราก็แล้วกันเราอยากมากเท่าใดก็ทุกมากเท่านั้นหนทางป้องกันความทุกชนิดนี้ก็คืออย่าทุ่มเทความหวังลงไปให้มากนักคอยเตือนใจเอาไว้บ้างว่ามีทางอยู่สองทางอาจได้หรืออาจตก เมื่อเราเตรียมใจไว้เผื่อตกหรือสอนตัวเองไว้แต่เนินๆถึงกล่าวตกจะได้ไม่ผิดหวังเกินไปคนที่เตรียมตัวเผื่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายไว้เสมอชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้พอจะรั้งใจตัวเองได้ในเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกความประสงค์เกิดขึ้นไม่ถึงกับเสียใจเศร้าโศกจนเกินไป ความจริงเรื่องให้เตรียมตัวเผื่อความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการสอบไล่แม้ในเรื่องอื่นๆเช่ น, นความรักการแข่งขันที่มีแพ้ชนะจะในทางกีฬาหรือทางสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนต่างๆก็ควรเตรียมใจไว้แต่ต้นมือในเรื่องความรักคนที่คิดเอาแต่ได้หรืออ่อนต่อโลก มักจะปล่อยให้ความทยานอยากอย่างรุนแรงเป็นผู้เผด็จการอย่างเต็มที่ทั้งยังมีอาการจะบังคับคนอื่นที่ตนรักด้วยเช่นปรารถนาจะให้เขามาพี่นอพี่เทาเอาอกเอาใจตนมาง้อตนไม่ให้ไปพูดกับคนอื่นต้องจงรักพักดีซื่อสัตย์ต่อตนคนเดียวตนไม่ชอบอะไรต้องให้เขาไม่ชอบด้วยดูช่างตั้งข้อกาหนดกฎเกณฑ์สิ น, นักหนารั้นแล้วพอไม่เป็นไปตามประสงค์ ก็นั่งเสียอกเสียใจด่าโลกนี้ว่าคับแคบโลกนี้เต็มไปด้วยความทรยศคดโกงไม่ซื่อสัตย์เต็มไปด้วยความหลอกลวงสวมหน้ากากสุดแต่จะสรรหาถ้อยคามาว่ามาด่าให้สาใจแต่ไม่มีการโทษตนเองหรือติตนเองเลยคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นบางทีถ้าหันมามองดูตัวเองบ้างว่าเราตั้งความปรารถนาความหวังไว้รุนแรงเกินไป หรือเราจู้จี้เกินไปจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นเขาก็มีจิตมีใจจะให้เขามาคอยทำตามใจเราทุกอย่างได้อย่างไรบางครัง้งเขาทำอะไรไปโดยไม่มีเจตนาอย่างอื่นแต่เราเระแวงหรือเข้าใจผิดไปเองต่างหากเรื่องความไม่สมหวังนี้มาแต่สมัยดึกดําบานโน้นไม่ใช่จะมีแต่เราคนเดียวเราจะมานั่งด่าโลกด่าคนที่ไม่ตามใจเราอยู่ จะได้ประโยชน์อะไรทางที่ดีควรจะรู้จักโลกในทางที่มันเป็นไปตามธรรมดาของมันบ้างเม่ใช่จะนั่งคิดฝืนโลกไม่ให้เป็นโลกและลองนึกดูก็ได้ถ้าทุกคนปรารถนาสิ่งใดได้สำเร็จตามความประสงค์หมดเราคงจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นแน่แท้สมมุติว่าในกอ ต้องการให้น้ำขึ้นในขอต้องการให้น้ำลงเพราะต่างคนต่างอยากจะพายเรือตามน้ำน้ำจะตามใจใครดีถ้าตามใจคนทั้งสองคงวุ่นไม่ใช่น้อยหรือในกอต้องการจะให้ฝนตกเพราะรู้สึกขี้เกียจรดน้ำต้นไม้และรู้สึกร้อนเลือเกินในขณะเดียวกันในขอต้องการให้แดดออก เพราะในขอมีอาชีพทางซักรีเสื้อผ้าจะได้นำผ้าปิตากแดดฝนซึ่งตามใจในกอทำท่าจะตกลงมาพอในขอไม่ชอบใจก็ต้องรีบหายตกหรือลอยสูงขึ้นดีว่าเป็นธรรมชาติไม่มีจิตใจถ้าเป็นคนมีจิตมีใจถูกใช้ทั้งสองสามอย่างพร้อมๆกันก็คงแทบเสียสติเป็นแท้ นอกจากนั้นความอยากของคนเรานี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสมัยหนึ่งภรรยาอยากให้สามีเจริญรุ่งเรืองถึงกับวิ่งเต้นช่วยเหลือประการต่างๆครั้นสามีเจริญขึ้นแล้วเกิดนอกใจไปมีภรรยาอื่นๆอีกหลายคนก็วิ่งเต้นใหม่กล่าวนี้ฟ้องร้องอยากเห็นสามีถึงความวิบัติซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจ เพราะฉะนั้นอย่าทุ่มเทความหวังความอยากลงไปในเรื่องอะไรให้มากนักจะได้ไม่เสียใจมากเกินไปเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความทุกข์เรื่องไม่สมหวังไม่สมอยากขอให้นึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าตรัสเวลาว่าความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะได้เกิดปัญญาสอนใจตนเองให้ผ่อนคลายความผลัดกลุ้มกระวนกระวายลงได้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องความรักพระพุทธเจ้าตรัสว่ารักหนึ่งทุกหนึ่งรักร้อยทุกร้อยใครจะว่าไม่จริงหรือขัดคอก็ตามใจถ้าไม่มีห้ามล้อไว้บ้างเมื่เตือนใจให้รู้จักสภาพธรรมดาของโลกไว้บ้างว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่แน่นอนแล้วก็จะต้องประสบกับความระทมขมขืนถึงขนาดเห็นโลกนี้คับแคบจนได้ การสอนให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ8ประการเป็นการปัดกวาดให้กายวาจาใจของเราเรียบร้อยขึ้นซึ่งรวมกันแล้วจะได้มีปัญญาสองทางชีวิตไม่ต้องคลมไปในที่มืดต่อไปการแก้ทุกข์โดยอนุโลมหลักอริยสัจ เหตุการณ์บางอย่างในชีวิตบางทีแม้เรื่องเล็กน้อยแต่เฉพาะบางเรื่องมันพิมพ์ใจหรือประทับใจอยู่ทำให้เรายึดถือเป็นแนวนึกคิดอย่างถอนใจไม่ได้ปัญหาชนิดนี้นักจิตวิเคราะห์ชาวต่างประเทศซึ่งตั้งสำนักงานรับปรึกษาข้อข้องใจชอบถามให้ผู้กลุ้มใจระลึกค้นหาเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นข้อสังเกตหนังสือประเภทนี้มีจาหน่ายทั่วไป มีประวัติบุคคลซึ่งแพทยบันทึกไว้ที่เรียกว่าเคสสตา์ดีอยู่มากมายความคิดนึกแบบที่ทำให้รู้สึกกลัดกลุ่มเพราะมองเห็นอะไรเป็นทุก์ไปหมดนั้นมีพร้อมกับความคิดเห็นของคนบางคนซึ่งมองเห็นโลกเป็นทุกข์ตลอดเวลาแต่ไม่มีทางแก้นอกจากนั่งด่าโลกอยู่ซึ่งผิดกับทางพระพุทธศาสนาอันสอนให้รู้จักทุกพร้อมทั้งต้นเหตุและวิธีแก้ เมื่อพิจารณาตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างกว้างๆแล้วผู้ที่จะแก้ทุกข์ของเราได้ก็คือตัวของเราเองทั้งนี้โดยตั้งหลักง่ายๆขึ้นก่อนว่าทางพระพุทธศาสนาสอนเราไม่ให้ยอมมัดมือมัดเท้าให้แก่ความทุกข์โดยปล่อยให้มันรอบงำท่วมทับเราอยู่เปล่าโดยไม่คิดแก้ไขแต่ให้เราพยายามคิดหาต้นเหตุและขับไล่สายส่งความทุกข์ให้หมดไป ด้วยความพยายามตั้งตัวเป็นหมอรักษาตัวเองคือถ้าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นให้ถามตัวเองว่ามันเกิดขึ้นเองหรือว่าเพราะเราไปนึกคิดปรุงแต่งช่วยระบายสีให้มันแลดูเป็นทุกข์จริงๆขึ้นทั้งๆที่บางครั้งมันเป็นเพียงเรื่องขนาดที่เรียกว่าขยะมูลฝอยคือไม่สลักสำคัญหรือน่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราหรือหน้าทุกร้อนอะไรเราก็อุตส่าห์เก็บเอามาคิด ให้เห็นเป็นหน้าทุกข์ร้อนไปได้เมื่อค้นคว้าไปจริงๆจนพบเข้าด้วตนเองว่ามันไม่น่าทุกข์ดังนี้เราก็อาจช่วยตัวเองสําเร็จในการหาทางแก้ทุกข์ของตัวเองจนเต็มความสามารถคือให้คิดศึกษาหน้าตาของความรู้สึกทุกข์ร้อนที่เราวาดภาพขึ้นแล้วถามตัวเองว่านี่มันทุกข์จริงๆหรือมันเป็นแต่เพียงเราแต้มสีให้แกมันถ้าพบว่าแต้มสี ก็เป็นอันแก้ตกตรงนี้เองเทียบด้วยคนที่สําคัญเชื่อว่าเป็นงูพอรู้ว่าเป็นเชือกก็หายกลัวและกลายเป็นรู้สึกขบขันถ้าพิจารณาหน้าตาของความทุกขนั้นแล้วยังรู้สึกด้วยความจริงใจว่ามันเป็นเรื่องหน้าทุกหน้ากลุ้มจริงๆไม่ใช่เราไปแต้มสีหรือนึกทุกหลอกตัวเองเราก็ควรตั้งปัญหาถามตัวเองอีกว่าถ้ามันจะหน้าทุกจริงๆก็ตามที แต่ที่เรารู้สึกทุกข์ร้อนหรือกลุ่มนี้เราคิดขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดเลยเราจะทุกข์ไหมเมื่อพบว่าเพราะเราคิดขึ้นจริงๆเราจรึงทุกข์เราก็จะได้หาทางออกต่อไปอีกว่าในทางทุกข์ร้อนเราคิดออกหรือคิดเห็นไปได้เราก็อาจใช้ความคิดนั้นถอนหรือทำลายความทุกข์ร้อนได้ เช่นเดียวกันคือให้รู้จักเรียนผูกเรียนแก้อันได้แก่การสอนตัวเองว่าถ้าเราคิดทุกเป็นเราก็ควรรู้จักคิดให้หายทุกให้เป็นด้วยเช่นเดียวกันปัญหาขั้นต่อไปมีอยู่ว่าเราจะคิดอย่างไรเราจึงจะผ่อนคลายความทุกข์ได้อันนี้มีวิธีคิดอยู่สองอย่างประการแรก การคิดโดยรวบรัดไม่ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดว่าข้อคิดที่ทำให้กลุ่มนั้นจะเป็นความกลุ่มประเภทไหนเนื่องมาจากความฝังใจเรื่องอะไรเราจะคิดหาเหตุผลโต้ความคิดเดิมที่กลุ่มนั้นดยการให้อาธิบายหรือเฉลยปัญหายัางไรจึงจะผ่อนคลายความทุกข์ร้อนนั้นได้ประการที่สอง การคิดหาเหตุผลอย่างละเอียดเฉพาะกรณีหรือเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการจับปัญหาที่กลุ่มนั้นขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดแล้วค้นหามูลเหตุที่ให้คิดเช่นนั้นตลอดจนหาเหตุผลโต้ความคิดเช่นนั้นจนกว่าจะสามารถเอาชนะได้ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายละเอียดในวิธีคิดแต่ละประการซึ่งกล่าวข้างตน้น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 เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ยอมฟังรายละเอียดแห่งความกลัดกลุ้มนั้นคงคิดรวบรัดโยนทิ้งทั้งหมดทีเดียวอีกอย่างหนึง่งถ้าจะไม่คิดเหยียดลงเป็นเพียงขยะมูลฝอยหรือความฝันก็ยังมีวิธีคิดแบบรวบรัดอีกอย่างหนึง่งด้วยตั้งคติประจำใจขึ้นง่ายๆว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราจะไม่ยอมมัดมือมัดเท้าให้แก่ความทุกข์ร้อนทั้งหลาย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 ฉะนั้นเราจะไม่รับเอาทุกข์ไว้ให้กวนใจเราคิดอย่างไรจึงจะผ่อนคลายความทุก์ได้ข้อที่สองการคิดหาเหตุผลอย่างละเอียดเมื่อเราใช้วิธีแบบรวบรัดไม่ได้ผลจริงๆหมายความว่าได้พยายามแล้ว ก็ขับไล่สายส่งความรู้สึกหลักลุ่มทุกร้อนให้หมดไปไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีสู้หน้ากับรายละเอียดของปัญหาเรื่องทุกร้อนนั้นด้วยอาการกซักไซต์ไต่สวนอย่างละเอียดแบบสารยุติธรรมที่ให้โจทจำเลยแสดงเหตุผลหลักฐานต่อสู้การให้เต็มที่แล้วจึงวินิจฉัยชี่ขาดลงไปการคิดแบบนี้ถ้าเราเป็นคนชอบเหตุผลจะรู้สึกสนุกไม่น้อย เพราะในบางครั้งเห็นฝ่ายทุกร้อนนั้นให้เหตุผลไม่เพียงพอว่ามันน่าจะทุกจริงๆหรืออย่างไรความกลัดกลุ้มกระวนกระวายนั้นมันมีเหตุผลสมควรและจำเป็นแน่แหรือหรือว่าเราคิดกลุ้มเล่นตามประสาคนชอบใช้ความคิดรังแกตัวเองเมื่อซักไซส์ไล่เลียงกันลงไปถึงราลยละเอียดเช่นนี้บางทีความคิดข้างฝ่ายกลุ่มจะรู้สึกว่า ให้เหตุผลไม่ค่อยได้เป็นคำตอบค่อนข้างจะอ้อมแอมเต็มทีหรือบางครั้งก็ใช้วิธีตอบแบบรวบรัดง่ายๆว่ามันอยากจะกลุ่มก็จะกลุ่มเนี่ยจะทำไมเล่าและตรงนี้เองที่ฝ่ายคิดกลุ่มถูกรุกจนต้องตอบอยางหมดทางไปเป็นโอกาสที่เราจะได้หัวเรอาอเยะความกลุ่มชนิดไม่มีเหตุผลเพียงพอของเราแต่ถ้าความคิดข้างฝ่ายชวนให้กลุ่ม มีเหตุผลและรายละเอียดในการที่จะกุ่มได้มากมายเราก็น่าจะได้ลองหาเหตุผลโต้ตอบเป็นข้อๆไปข้อสำคัญขอให้เราซ้อมความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าหน้าที่โดยตรงของเราผู้เป็นพุทธศาสนกชนคือจะต้องหาวิธีกําจัดทําลายหรือผ่อนปรนความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ยอมปล่อยตัวเองให้จมอยู่ในทุกข์นั้นเรื่อยๆไป เมื่อเรามีหน้าที่จะต้องขจัดปัดเป่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้เราก็ควรจะรวบรวมความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญาการคิดหาเหตุผลเท่าที่เราจะควรควายหาได้มาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความรู้สึกทุกข์ร้อนนั้นอย่างเต็มความสามารถเมื่อเราตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับแนวทางที่จะชวนให้เราครุ่นคิดกลัดกลุ่มแล้วเราก็ไม่หาทางสนับสนุนความคิดกลัดกลุ่มนั้น มีแต่จะหาทางโต้แย้งอยู่ตลอดเวลาโดยวิธีนี้ก็พอจะเป็นการทางทางไปสู่ความเป็นผู้ไม่ค่อยคิดกลุ่มได้ตามสมควรในที่นี้จะขอแสดงตัวอย่างซักไซสสอบสวนรายละเอียดเป็นรา ย, รายไปเพียงบางเรื่องดังต่อไปนี้กลุ่มเรื่องนึกถึงความตาย สมมุติว่าในกอเป็นผู้มีใจหดหูอยู่เนืองนิดไม่ว่าจะนึกคิดถึงเรื่องอะไรพอความคิดที่ว่าในที่สุดก็จะต้องตายกันไปหมดแทรกขึ้นมาก็ทําให้รู้สึกอ้างว้างเปล่าไม่อยากทําอะไรต่อไปเพราะเมื่อลงสุดท้ายจะต้องตายหมดมีแต่ความว่างเปล่าและจะมาคิดอ่านทนํานวนทนํานี่ให้เสียเวลาทําไมในที่สุดก็มีแต่ความซึมเศรา้าหดหู ไม่เป็นอันทาอะไรคอยนึกแต่ว่าพุโทโธเอ้ยเดี๋ยวก็ตายตลอดเวลาข้อสอบสวนสักถามได้กล่าวแล้วในกรณีเช่นนี้นายกจะต้องตั้งตัวเป็นผู้คิดหักล้างความรู้สึกข้างฝ่ายชวนให้ทุกข์จะไม่สนับสนุนในทางทุกข์ร้อน แต่จะหาทางหรือรวบรวมสติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดคิดตอบโต้ัชนะความกลัดกลุ่มนั้นให้จงได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะหาเหตุผลโต้แยง้งจึงควรหาทางคิดตัดประเด็นปัญหาตามแบบข้อหนึ่งก่อนคือลองถามตัวเองว่าการคิดร้อนในเรื่องนี้เป็นการรังแกตัวเองหรือเปล่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่เรามานั่งคิดทุกข์อยู่คนเดียวในเมื่อคนอื่นไม่มีใครเขาคิดทุกข์แบบเรา เมื่อยังไม่สามารถหักล้างความคิดเดิมด้วยการตัดประเด็นเช่นนี้ได้ก็ให้สอบสวนในรายละเอียดต่อไปซึ่งจะลองให้คำถามเป็นข้อๆดังนี้ข้อที่หนึ่งอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เราคิดกลุ่มในเรื่องนี้ขอให้ค้นหาคำตอบที่นึกว่าใกล้ความจริงหรือรอบครอบที่สุดข้อที่สอง ความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่ออายุเท่าไรถ้าไม่ได้ปีที่แน่นอนก็ให้ได้ระยะประมาณข้อที่สามความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นพักๆหรือเกิดแล้วก็หายไปหรือว่าเกิดติดต่อกันหรือว่านานๆครั้งจึงเกิดข้อที่สี่ ถ้ามีระยะที่ความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วหายไปได้บ้างเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองหรือมีอะไรจูงใจให้เกิดขึ้นข้อที่หเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดความคิดชนิดนี้เมื่อค้นคว้าหาดูแล้วพอจะจัดประเภทได้หรือไม่ว่าเป็นเหตุประเภทไหนเช่นเหตุการณ์เดียวกับการรบราฆ่าฟันกัน ข่าวคนตายของคนบางคนหรือถ้อยคำสกิดใจที่เราอาจได้ฟังจากบุคคลต่างๆหรืออยู่เฉยๆนึกขึ้นเองข้อที่6เมื่อความคิดชนิดนี้เกิดขึ้นมันมีอานาจเหนือจิตใจเราด้วยประการทั้งปวงคือก่อให้เกิดความกลัดกลุ้มหรือหดหูโดยไม่มีทางแก้ไขหรือว่าพอจะหักห้ามได้บ้าง ข้อที่เจ็ดความคิดที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เช่นนี้จะเป็นความคิดที่โง่หรือฉลาดขอให้พยายามคิดให้รอบคอบก่อนและจึงตอบปัญหานี้ข้อที่8ปดถ้าเป็นความคิดที่โง่เราจะยอมโง่อยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือว่าจะหาทางแก้ไขกำจัดความโง่นี้ข้อที่เก้า ถ้าเป็นความคิดที่ฉลาดเราจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์จากความคิดนี้บ้างถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแกเราเลยเราจะยังคง น, นับถือความฉลาดแบบก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองนี้ต่อไปอีกหรือข้อที่10บความคิดชนิดนี้มีส่วนเนื่องมาจากการชอบเก็บตัวเองไม่ยอมสูงสิงเกี่ยวข้องกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าถ้าใช่ เราจะลองทำตัวให้เข้ากับคนอื่นบ้างจะเป็นการสมาคมการฟังเทศการฟังปัตกถาหรือการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อช่วยขจัดเหตุแวดล้อมให้ผ่อนคลายความกลัดกลุ่มคุนคิดแต่เรื่องทรมานใจตัวเองได้หรือไม่ข้อที่11เรามีโรคภัยไข้เจ็บชนิดเรื้อรังประจำตัวอันเป็นเหตุให้เกิดความคิดหงุดหงิดเป็นประจาบ้างหรือไม่ เมื่อได้ตั้งข้อสักถามสอบสวนชนิดที่เราเรียกว่ามูลฐานแต่และข้อเหล่านี้แล้วได้รับคำตอบอย่างไรขอให้กำหนดหรือบันทึกไว้ให้ดีเพราะเป็นการศึกษาตัวเองหรือเป็นการเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นบางทีจะช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้บ้างว่ามีสาเหตุอย่างไรจะพอมีทางแก้ไขได้อย่างไรหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ผลคือยังไม่รู้จักตัวเองดีขึ้น หรือรู้จักแล้วแต่ยังแก้ไม่ตกก็ให้หาเหตุผลโต้แย้งความคิดชนิดนั้นต่อไปเหตุผลโต้แย้งได้กล่าวแล้วว่าเราควรจะได้รวบรวมความฉลาดหรือสติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมด <c oughs> มาช่วยกันหาทางต่อสู้กับความคิดฝ่ายจุงให้เราทุกร้อน เพราะฉะนั้นตัวอย่างการหาเหตุผลโต้แย้งนี้จึงยังไม่ควรถือว่าสมบูรณ์แล้วเพราะบางท่านอาจมีสติปัญญาและความฉลาดสูงที่จะค้นหาเหตุผลมาโต้แยง้งความรู้สึกทุกข์ร้อนได้ดีกว่าตัวอย่างนี้อีกไม่ใช่น้อยในที่นี้จะเสนอไว้พอเป็นแนวทางความตายไม่ใช่ความขาดศูนเพราะจำเดิมแต่มีมนุษย์ในโลกมา ไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านปีแล้วมนุษย์เกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นเรื่อยๆมาไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ถ้าเราจะมาคำนวณมนุษย์ที่ตายไปแล้วก็คงจะมากกว่าหลายหมื่นหลายล้านเท่าแต่มนุษย์ก็ยังคงมีสืบต่อเชื้อสายกันอยู่เรื่อยๆบางคนไม่สืบต่อเชื้อสายมาเท่านั้นยังแถมระลึกชาติได้ด้วยว่าตนเคยชื่อนั้นมีบุตรภรรยาชื่อนั้นๆตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นั่น เหตุการณ์เหล่านี้บางเรื่องก็ได้มีการสอบสวนกันอย่างจริงจังต่อหน้าผู้ร่วมมือนับจำนวนสิบจำนวนร้อยและได้ถ่ายรูปแสดงหลักฐานอันควรเชื่อถือไว้ก็มีและมีตัวอย่างทั้งในตะวันตกและตะวันออกคือไม่ใช่แต่ชาวเอเชียเท่านั้นที่ระลึกชาติได้ฝรั่งบางคนระลึกชาติได้ก็มีมาเหตุผู้อ่าน ตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือศาสตราจารย์ด็อเตอร์ในแพทย์เยนสตีเวนสันที่ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพิสูจน์การระลึกชาติจากเด็กจำนวนมากจนยอมรับว่าการระลึกชาติเป็นได้จริงซึ่งหลายรายที่ยอมรับว่าจริงนั้นก็เพราะเป็นเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้ความแต่สามารถบอกความลับในอดีตของครอบครัวอื่นที่ตนเองอ้างว่าเคยเกิดในครอบครัวนั้นได้ และยังมีการทดลองของต่างชาติอีกจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องการสะกดจิตประลึกชาติซึ่งในกลุ่มของแพทย์ผู้ทําการทดลองก็ยอมรับว่าการระลึกชาตินั้นเป็นไปได้จริงมีเอกสารหลักฐานมากมายของต่างชาติที่เกี่ยวกับการทดลองเรื่องโลกหลังความตายการติดต่อทางวิญญาณหรือความสามารถพิเศษที่ทางพุทธเรียกว่าอภิน ญ, ญาหลายรายก็ทดสอบพิสูจน์จนมั่นใจจนยอมรับว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงโลกหลังความตายมีจริง แนะนำให้ฟังตัวอย่างเสียงอ่านจากสานักค้นคว้าทางวิญญาณโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณที่ท่านรวบรวมไว้จํานวนมากซึ่งทางจุลรวมพลดีก็จะทยอยหาต้นฉบับมาทําเป็นเสียงอ่านให้ฟังกันต่อไปเท่าที่จะหาต้นฉบับได้นะครับเหตุผลโต้แย้งประการต่อไป ความตายนั้นคิดไปอีกแง่หนึ่งก็ไม่เชิญจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจนถึงวิตกกังวลอะไรมากนักเราเป็นเหตุกระบวนการทางวัตถุที่ช่วยเก็บของเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วเททิ้งไปเพื่อเปิดโอกาสหรือให้ที่แก่ของใหม่ๆเท่านั้นเราลองนึกดูก็ได้ถ้าในโลกนี้ไม่มีการตายคือมนุษย์ในสมัยล้านปีมาแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ทาอะไรไม่ได้ ได้แต่นอนหรือคลานกันอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดหรือที่ไม่คลานก็ได้แต่นั่งหัวเข่าท่วมหูซึมพูดจาไม่รู้เรื่องดังนี้เสอีกโลกคงจะเต็มแน่นไปหมดไม่มีที่จะให้เราอยู่ไม่มีอาหารให้เรากินโลกนี้จะน่าทุเรศเวทนาสักเพียงไรเมื่อคิดมาถึงเพียงนี้เราน่าจะขอบใจความตายมากกว่าจะมานั่งทุกข์เรื่องความตายราถ้าไม่มีตายกันบ้าง โลกคงจะเต็มแน่นไปหมดไม่มีที่ให้เราอยู่ไม่มีอาหารให้เรากินและจะเต็มไปด้วยคนแก่อายุตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหรือหลายแสนปีท่วมจํานวนคนรุ่นเด็กและหนุ่มสาวยังเปรียบกันไม่ได้เพราะคนรุ่นเด็กและหนุ่มสาวจะเพียงหนึ่งในแสนของคนรุ่นแก่ที่ไม่รู้จักตายเท่านั้นความตายนั้นเป็นการถ่ายเทสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป เช่นในร่างกายเรามีการกินอาหารใหม่เพิ่มเข้าไปทุกวันและในขณะเดียวกันก็มีการถ่ายเทอาหารเก่าทิ้งเป็นประจำวันเช่นเดียวกันจึงนับได้ ว, ว่าเป็นกระบวนการที่ทำโลกให้อย่างเป็นไปอยู่ได้ไม่น่ากลัวหรือวิตกอะไรมากนักโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนายิ่งสอนไม่ให้คิดถึงความตายด้วยความรู้สึกท้อแท้หรือหดหู่ หากให้คิดอย่างที่มีกำลังใจที่จะเร่งทำคุณงามความดีให้มากขึ้นจะได้ไม่ตายอย่างเป็นโมฆะหรือตายไปเปล่าเปล่าโดยไม่มีโอกาสทำประโยชน์แก่ตัวเองและแก่โลกเมื่อความตายเป็นของธรรมดาสำหรับทุกคนที่เกิดมาเช่นนี้เราจึงควรสู้หน้ากับความจริงเรื่องตายและหาประโยชน์จากความตายด้วยการอบรมจิตใจให้ประกอบด้วยคุณธรรมไม่ดีกว่าหรือ เพราะว่าเราจะกลุ้มเราจะกลัวเราจะทุกร้อนสักเท่าไหร่ก็ไม่ทําให้เราหนีพ้นจากความตายไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะมัวมายอมให้ความคิดทุกร้อนอันไม่จําเป็นเรื่องนี้กินเปล่าเราอยู่เรื่อยๆทําไมรวมความว่าเมื่อใช้ปัญญาแล้วก็จะช่วยแก้ทุกได้ทําให้เห็นทางดาบทุกข์เป็นคุณลักษณะอันพิเศษประการหนึ่ง แห่งพระพุทธศาสนาหมายเหตุผู้อ่านการระลึกถึงความตายเป็นประจำนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำนะครับและแนะนำถึงขั้นว่าให้ระลึกถึงความตายไว้ทุกลมหายใจจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อ ชีวิตนี้สั้นนักหาความแน่นอนไม่ได้แต่พบชาติยังอีกยาวไกลต้องเว้นว่าตายเกิดอีกไม่รู้จบตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดเมื่อยังมีลมหายใจจึงไม่ควรประมาทในกุศลให้เร่งสะสมกุศลศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตให้ลดละกิเลสให้ได้มากที่สุดก่อนจะตายการระลึกถึงความตายนั้นเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่ามรณสติ ซึ่งการระลึกในทางที่ถูกต้องนั้นจะนำความสุขความเจริญมาให้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหลักสำคัญข้อที่หพึ่งตนยกระดับตนให้สูงขึ้นและกดแห่งกรรม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 ถ้าจะกล่าวอย่างยอดที่สุดก็คือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาในข้อนี้ได้แก่การสอนนิพพึงตัวเองไม่นิยมให้ทำการใดๆอันเข้าลักษณะยืมจมูกคนอื่นหายใจดังที่คำโบราณว่าไว้แต่โดยเหตุที่มีข้อปลีกย่อยอีกหลายประการซึ่งนำมากล่าวรวมไว้ในข้อนี้ด้วยจึงขอแยกแนวพิจารณาออกเป็นสีข้อคือหนึ่งพระพุทธศาสนา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 ยอมระมัดระวังการใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะถาเงินหมดจะต้องรบกวนคนอื่นจะรู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ต้องการบางครั้งความจำเป็นบังคับอาจต้องพึ่งผู้อื่นแต่ก็ไม่บ่อยครั้งนักจะมีก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆและในกรณีเช่นนั้นผู้คิดพึ่งตัวเองยอมเปลืองนีสินได้โดยเร็วเพราะความไม่ประมาทในการครองชีต ประการที่สองในเรื่องการงานผู้คิดพึงตัวเองย่อมหัดทำอะไรอะไรเองได้ในสิ่งที่พอจะช่วยตัวเองได้พึงสังเกตว่าภิกษุในพระพุทธศาสนามีข้อกำหนดให้มีได้มีเข็มไว้เป็นบริขารประจำตัวนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลเพื่อให้รู้จักเย็บผ้าปะผ้าใช้เองบ้างไม่ใช่เป็นผู้สำรวยหยิบโยงทาอะไรเองไม่ได้เลยยิ่งกว่านั้น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 ประการที่สาเนเรื่องการศึกษาผู้คิดพึ่งตัวเองย่อมไม่เกียจคร้านไม่คอยคิดหาวิธีลัดด้วยการคอยถามคอยดูข้อตอบของเพื่อนหรือคอยลอกคําตอบของเพื่อนเวลาสอบไล่ไม่ต้องกังวล บ, บนบานสารกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยเพราะอุ่นใจในความเพียรช่วยตัวเองอยู่แล้วผู้คิดพึ่งตัวเองเมื่อสนใจศึกษาศิลปะวิชาย่อมจเจริญด้วยความรู้ความสามารถ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 ต้องพึงท่านอยู่โดยไม่คิดตั้งตัวให้เป็นหลักฐานแล้วเลี้ยงท่านตอบแทนบ้างเลยประการที่ห้าในเรื่องความประพฤติปฏิบัติผู้คิดพึงตัวเองยอมไม่คิดจะได้ดีอะไรอย่างลอยๆหากจะรู้จักประกอบเหตุเพื่อให้เกิดผลโดยการกระทําที่ถูกต้องของตนฉะนั้นเมื่ออยากได้ดีก็ต้องประกอบคุณงามความดี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 เช่นไขวัดใหญ่เด็กเล็กๆที่ยังดื่มนมมานดามักมีกําลังต้านทานดีกว่าผู้ใหญ่ทั้งนี้เพราะการเตรียมอะไรต่ออะไรไว้ให้ของธรรมชาติยังมีผลปรากฏอยู่รันโตขึ้นพอที่จะตักอาหารเข้าปากเองได้เด็กจะแย่งผู้ใหญ่ทำเองเป็นการหาช่วยตัวเองไปในขณะเดียวกันในร่างกายของมนุษย์และสัตว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 ที่มีความต้านทานนั้นมาทำเซรุ่มสำหรับฉีดป้องกันเชื้อโรคต่างๆซึ่งยังคงใช้เป็นหลักการสำคัญแม้ในปัจจุบันการป้องกันโรคอหิวาไกอย่ังได้ผลนับเป็นผลงานชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งของหลุยพาสเตอร์ผู้นี้เมื่อหลักการพึ่งตัวเองเป็นหลักในธรรมชาติเช่นนี้การสอนให้คนรู้จักพึ่งตัวเอง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 รวมความว่าในการประกอบคุณงามความดีหรือในการดำรงชีวิตควรฝึกหัดช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา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 จะไหนเราจะสันเสริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมสรนเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สรนเสริญการหยุดอยู่หรือความเสื่อมเมื่อทางพระพุทธศาสนาสอนให้ก้าวหน้าให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองไม่หยุดอยู่กับที่เช่นนี้จึงส่งเสริมความภาคเพียรความเข้มแข็งอดทน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 เอาผ้าคลุมศีรษะเดินกระโยงแบบคนย่องเบาหรือนั่งรัดเขา่าซึ่งถือกันว่าไม่สุภาพในขณะที่ไปหรือนั่งในบ้าน 6. ในการฉันอาหารให้ภิกษุชันด้วยอาการอันเรียบร้อยไม่พูดขณะข้าวเต็มปากไม่โยนคําข้าวเข้าปากไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มม้ตุย๋ยไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางไม่ฉันลบลิ้น ไม่ฉันมีเสียงดังจับจับหรือสุดสุดไม่ฉันเลียมือหรือเอามือสุกกระกจับภาชนะน้ำเป็นต้น 7. มีให้ภิกษุไปแอบฟังความเพื่อจะรู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตน 8. มีให้ภิกษุเล่นซ้อนบริขารคือเครื่องใช้ของภิกษุอื่นรวมทั้งเล่นจีภิกษุอื่น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 วัฒนธรรมในการกินดีอยู่ดี 1. มีพระบัญญัติมีให้ภิกษุเก็บอาหารไว้ค้างคืนในห้องนอนที่เรียกอันโตวุตถะเพราะจะกลายเป็นเอาห้องนอนเป็นห้องเก็บอาหาร 2. มีให้ภิกษุหุงต้มอาหารในห้องที่อยู่ที่เรียกว่าอันโตปะกะ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 ในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดผู้ใดเห็นสกปรกไม่จัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำความสะอาดหรือน้ำชำระที่ใช้แล้วเหลือทิ้งไว้ในหม้อชำระด้วยความมาักง่ายมีที่ปรับอาบัดไวเก้าในที่ประชุมสงตุกกึงเดือนหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำก่อนประชุมคือปัดกวาดสถานที่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 วัฒนธรรมในการรักษาของส่วนรวม 1. ภิกษุที่นำเตียงต่างฟูกเก้าอี้ของสงออกมาใช้แล้วเมื่อเลิกใช้ไม่เก็บเองหรือไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บปล่อยจิ้งไว้กลางแจ้งต้องอาบัติ2ภิกษุเอาที่นอนของสงปูนอนในกุฏิ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 ภิกษุเก็บเอาเป็นของตนก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเก็บเอาก็ดีต้องอาบัตของตกในวัดต้องเก็บเพื่อไว้คืนให้เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องอาบัติ 2. ภิกษุเป็นแขกไปสู่อาวาสอื่นพึงถามถึงกติกากฎข้อบังคับต่า ง, ต, างต่างของอาวาสนั้นเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่ล่วงละเมิดกติกาต่างๆที่วางไว้ 3. ภิกษสุรับนิมนต์ไว้ในที่หนึ่งแลเปไปชันเสียที่อื่นต้องอาบัตเว้นแต่จะได้ตกลงมอบหมายให้ภิกสุอื่นรับแทน 4. ภิกษสุให้ชันท่าคือยอมให้สงฆ์ทำกรรมอันใดอันหนึ่งแล้วกลับว่าติดเตียนสงฆ์ในภายหลังต้องอาบัต หาเมื่อสงฆ์กำลังประชุมตัดสินข้อความข้อหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะออกจากที่นั้นไปในขณะที่ตัดสินข้อความนั้นยังไม่เสร็จต้องอาบัตเว้นแต่จะมอบฉันทะคือยอมให้สงฆ์ทำไปด้วยความเห็นชอบของตน 6. ภิกษุรู้อยู่ว่าของเขานี้เขาจะถวายแก่ส่วนรวมคือสง ผู้ที่เข้าถวายแก่ตนต้องอาบัติภิกษุขอของจะเข้ารือหัดผู้มีชญ า, าติผู้มิได้ปวารณาคือไม่ได้กล่าวอนุญาตไว้ได้มาต้องอาบัติเว้นแต่มีเหตุสมควรตามที่กำหนดในพระวินยัย 8. ภิกษุผู้จะโจททวงภิกษุอื่นพึงกล่าวขอโอกาสจำาเลยก่อน จึงเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสงฆ์ 9. ความเป็นผู้รู้จักประชุมชนเรียกว่าปริสันยุตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ธรรมตนให้เหมาะสมที่จะเข้าสู่ชุมนุมชนโดยเรียบร้อยชื่อว่ามีธรรมะของสัตบุรุษคือคนดี 10. ภิกษุเข้าประชุมสองก็ดีโจทย์ก็ดีจำเลยก็ดีพยานก็ดีพึงเป็นผู้เจียมตนพึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งไม่เบียดภิกษุผู้เป็นเทระไม่กีดกันภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงนั่งในอาสนะอันสมควรไม่พูดถึงเรื่องต่างๆพึงรักษาดุษเนีภาพคือความนิ่ง ระเบียบวัฒนธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้คงจะพอทำให้เห็นเปรียบเทียบได้ตามสมควรว่าพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้คนยกระดับแห่งชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนอย่างดียิ่งเพียงไรเพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นต้นตํารับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของโลกได้โดยแท้จริง คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหลักสำคัญข้อที่หพึ่งตนยกระดับตนให้สูงขึ้นและกดแห่งกรรมประการที่สพระพุทธศาสนาไม่สอนให้คิดได้ดีโดยวิธีอ้อนวอนและบวงสวงจากหลักพึ่งตัวเองทำให้เราก้าวมาถึงขั้นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันคือการที่พระพุทธศาสนาไม่สอนให้คิดได้ดี โดยวิธีอ้อนวอนวงสวงดังจะนำหลักธรรมมากล่าวเป็นข้อๆคือหนึ่งในสังยุตตานิายสลายตนะวั์ประไตปิฎกเล่มส8บปดพระพุทธเจ้าตรัสเป็นใจความว่าเราเออนน้ำมันเทลงในน้ำแล้วจะอ้อนวอนให้จมลงอย่างไรน้ำมันก็คงจะลอยขึ้นเหนือน้ำเสมอไปเราทิ้งก้อนหินลงในแม่น้ำ จะอ้อนวอนให้ลอยอย่างไรมันก็ไม่ลอยขึ้นคงจมลงด้ยส่วนเดียวชันใดการทำความดียอมเป็นเหตุให้เฟื่องฟูการทำความชั่วยอมเป็นเหตุให้ล่มจมเมื่อทําแล้วจะใช้วิธีอ้อนวอนให้เกิดผลตรงกันข้ามก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นสอง ในสังยุตตินิยคันธวาราวักพระไตรปิฎกเล่ม17พระพุทธเจ้าตรัสเป็นใจความว่าแม่ไก่ไม่กกไข่มีแต่ความปรารถนาจะให้ลูกไก่ออกจากฟองอย่างเดียวย่อมไม่สำเร็จฉันใดลำพังความปรารถนาจะทำให้จิตพ้นจากกิเลสอสวะย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันนั้น 3. ในปัญจการนิบาท อังคุตราณิกายพระไตปิฎกเล่ม22พระพุทธเจ้าตรัสสอนอนาถบิณฑิกะคฤรหะดีใจความว่าสิ่งที่น่าปรารถนารักใคร่จเจริญใจห้าอย่างคืออายุผิวพรรณยศสุขสวรรค์นั้นเราไม่กล่าวว่าจะได้มาด้วยเหตุความบิงวอนปรารถนาเพราะถ้าจักได้เพราะความบิงวอนปรารถนาแล้วใครเล่าจะขาดแคลนอะไร ดูก่อนเครื่องหับดีอริยาสาวกผู้ใครจะได้สิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะวิงวอนและเพลิดเพลินยินดีสิ่งเหล่านั้นอริยาสาวกนั้นพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะให้สำเร็จผลข้อที่สอนให้ช่วยตนเองในการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลที่มุ่งหมาย โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนให้ช่วยเหลือนี่แหละออกจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาอย่างมากเพราะเกือบจะเรียกว่าตรงกันข้ามกับข้อปฏิบัติในศาสนาทั้งหลายอย่างสําคัญที่เดียวเซอร์เอ็ดวินอาโนนักกวีชาวอังกฤษผู้เริ่อมใสพระพุทธศาสนาได้ประพันธ์บทกวีเรื่องประที่แพงเอเชียไว้ตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องการอ้อนวอนไว้อย่างไพเราะว่า จงอย่าอ้อนวอนเลยความมืดจะสว่างขึ้นมาไม่ได้จงอย่าขออะไรจากความเงียบเลยเพราะมันพูดไม่ได้อย่ารบกวนจิตใจอันเคร่มครวนของท่านด้วยความเจ็บปวดอันระคนด้วยศรัทธาเลยพี่น้องชายหญิงทั้งหลายจงอย่าขออะไรจากเทพเจ้าที่จะช่วยอะไรท่านไม่ได้โดยของบนและคำสวดสรรเสริญเลย จงอย่าติดสินบนด้วยเลือดหรือเลี้ยงเทพเจ้าด้วยผลไม้และขนมความหลุดพ้นจะต้องค้นภายในตัวท่านเองคนทุกคนสร้างคุกตารางเรื่องจองจำให้แก่ตัวเองต่างหากผู้เขียนเคยอ่านบทกวีของเซอรรพินธรนาถากูลซึ่งเป็นนักปรัชญาชื่อดังชาวอินเดียจำใจความได้ว่า เร์พินทรนาถกูลได้เขียนบทกวีอ้อนวอนพระเจ้าไว้อย่างประหลาดเป็นการอ้อนวอนโดยใช้หลักพึ่งตนเองของพระพุทธศาสนาดังมีเขาดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านจะโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าขอเยียวรดอย่ามายุ่งอะไรกับข้าพเจ้าเลยจงปล่อยให้ข้าพเจ้าได้ใช้เรี่ยวแรงและสติปัญญาของข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับความยากลำบากทั้งหลายไปตามลําพังเถิด เทนเซอผู้นี้เป็นชาวอินเดียผู้เชี่ยวชาญในอักษรศาสตร์อังกฤษถึงกับได้รับรางวัลโนเบลในทางวรรณกรรมแต่เขียนบทกวีเรื่องนี้อย่างตรงกันข้ามกับหลอดเทนนิสันของอังกฤษทีเดียวหลอดเทนนิสันนักกวีผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษได้เขียนในหนังสือไว้ว่าเพราะคนเราจะดีกว่าแกะหรือแพะซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตอันงมงายไว้ภายในสมองได้สักเท่าไหร่ ถ้ารู้จักพระเจ้าแล้วไม่ยกมือขึ้นอ้อนวอนเพื่อตัวเองและผู้ที่ตนเรียกว่าเพื่อนเพราะรอบโลกทั้งสิน้นผูกพันอยู่ทุกวิธีทางด้วยโซ่ทองซึ่งผูกพันอยู่แท้พระบาทของพระเจ้าผู้เขียนเสนอเหตุผลในบทกวีของทุกๆุกฝ่ายทั้งในฝ่ายที่ให้อ้อนวอนและไม่อ้อนวอนเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณตัดสินเอาเอง และในขณะเดียวกันจะได้มองเห็นคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาในข้อนี้ไปในขณะเดียวกันคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหลักสาคัญข้อที่หพึงตนยกระดับตนให้สูงขึ้นและกดแห่งกรรม ประการที่สพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจกฎแห่งกรรมคำว่ากฎแห่งกรรมเมื่อจะถอดความง่ายๆก็คือกฎแห่งเหตุและผลหรือที่เราเข้าใจกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะเหตุที่พระพุทธศาสนาถือว่าโลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทำย่อมจำแนกหรือแยกประเภท ให้มนุษย์และสัตว์ดีแล้วต่างๆกันจึงได้แสดงหลักธรรมไว้ทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมสั์อะไรให้ไปอยู่ที่ความบังเอิญหรืออำนาจลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนพระพุทธศาสนาพยายามสู้หน้ากับเหตุผลทุกอย่างโดยไม่ยอมโยนเรื่องอะไรไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นคาตอบของพระพุทธศาสนาจึงมีต่อเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ ว่าเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุคือการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องการความเข้าใจอย่างที่ท้่วลึกซึง้งในการอธิบายเรื่องนี้จําเป็นต้องอาศัยอุปมาอุปไมยประกอบดังต่อไปนี้ 1. การปลูกพืชต่างชนิดจะเป็นข้าวถุเขียวมะม่วงทุเรียนหรือผลไม้อื่นใดก็ตาม มีใช่ว่าพอวางมาเมล็ดพืชลงไปที่ดินเอาน้ำรดแล้วพืช น, นั้นจะเจริญงอกงามให้ผลทันตาทันใจก็ต้องมีการกินเวลาบ้างและการกินเวลาของพืชต่างชนิดก็ต่างกันไปเร็วบ้างช้าบ้างระหว่างข้าวกับธุเรียนทิ้งระยะเวลาให้ผลต่างกันเป็นเวลาหลายปีนี่เป็นตัวอย่างของกรรมที่ให้ผลเร็วช้าต่างกัน สองคนทำเมรัยหรือน้ำเมาเอาน้ำตาลสดจากต้นแช่ปนกับเปลือกไม้บางชนิดในขณะที่แช่นั้นยังไม่เป็นเมรายทันทีต้องอาศัยเวลาสองถึงสคืนที่น้ำตาลสดจะทำปฏิกิริยากับเปลือกไม้นั้นจึงกลายเป็นเมรยได้นี้เป็นตัวอย่างของการกินเวลาในการให้ผล3 การที่แกว่งลูกตุ้มนาฬิกาเมื่อแกว่งมาทางซ้ายมากเท่าไรเวลาเวียงกลับจะเวียงไปทางขวามากเท่านั้นข้อนี้เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาหรือการให้ผลทันทีภายหลังประกอบเหตุ 4. เหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันอาจมีทั้งสายยาวและสายสั้นคนที่มองแต่เหตุผลสายสั้น ไปพบเหตุผลสายยาวเข้าก็อ่านเรื่องราวไม่ออกพระพุทธศาสนาสอนให้มองทั้งเหตุผลสายยาวและสายสัน้นตามประเภทที่เป็นจริงของมันจึงมีทางอธิบายความจริงได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมเหตุผลสายสัน้นเช่นเราดา่าเขาเดี๋ยวนี้เขาด่าตอบเรามาทันทีเราทำร้ายร่างกายเขาเขาทำร้ายตอบเราทันที เราหุงข้าวตอนเช้าก็ได้กินข้าวตอนเช้าหุงกลางวันหรือเย็นก็ได้กินข้าวกลางวันหรือเย็นอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายแต่เหตุผลสายยาวซึ่งข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนั้นบางครั้งคนก็มองข้ามไปเด็กชายกอเรียนหนังสือเมื่ออายุหกขวบเรียนไปเรียนไปก็อ่านหนังสือออกการเวลาล่วงไป เด็กชัยกออายุห0สิปีผลของการเรียนเมื่อหลายสิบปีล่วงมาแล้วยังคงส่งให้ในกออ่านหนังสือได้อยู่จากอายุ4 0ถึงห้าสิบในกอไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่ในกอได้รับผลของเหตุการณ์เมื่อ 30-40 ถึงปีมาแล้วหรือในตัวอย่างอื่นอีกในกอไปพูดศบประมาทดูหมินในขอไว้ในวันนี้ อีกหปีหรือหกปีต่อมาในคอได้โอกาสแก้แค้นเขาจึงลอบทำร้ายในกอถ้าเราคิดว่าเรื่องเท่านี้ทำไมผลจึงแฝงอยู่ในระยะยาวนักขอตอบว่ายาวเท่าไรก็ได้เปรียบเหมือนเข้าเปลือกที่เก็บไว้เมื่อใดได้โอกาสและเหตุผลแวดล้อมที่จะให้งอกก็งอกได้เมื่อ น, นั้นแม้จะเก็บไว้นานก็ยังปลูกขึ้น คนที่คิดแต่เหตุผลสายสั้นย่อมตอบปัญหาได้เฉพาะเหตุผลสายสั้นพอไปพบเหตุผลสายยาวก็งงไปหมดถ้าเทียบวันหนึ่งกับชาติหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้อาจเกี่ยวข้องไปถึงพันวันข้างหน้าก็ได้เหตุการณ์เมื่อพันชาติล่วงมาแล้วอาจเกี่ยวมาถึงชาตินี้ก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลระยะยาวนี้ถ้าเข้าใจดีแล้ว อาจช่วยข้อคล่องใจและทำให้ตอบปัญหาชีวิตได้ดีที่สุดอุปมาข้อที่ห้าปัญหาที่เรามักพูดกันเสมอก็คือทำดีไม่เห็นได้ดีคนชั่วคนโกงทำไมจึงกลับร่ำรวยเป็นเสมือนหนึ่งเราเห็นคนเอาเปลือกมะเรือใส่ลงในน้ำตาลสดแล้วก็ลองชิมดูแล้วกล่าวว่า มันก็รสน้ําตาลสดอยู่อย่างนั้นไม่เห็นเป็นน้ําตาลเมาเลยโดยมากเราใจร้อนจะดูอะไรให้เป็นเหตุผลสายสั้นหมดไม่ยอมมองเหตุผลสายยาวกืริยะฟักตัวของความดีความชั่วเลยเราจึงเข้าใจไข้เคว้คไปถ้าใจเย็ยนดูให้ตลอดสายสักหน่อยเพียงชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเราก็คงได้เห็นคนที่เ่อโกงพี่นาล่มจมกันม า, มามากต่อมากแล้ว แต่เราเป็นโรคคอยอะไรนานไม่ได้ตอนที่เขาพินาศล่มจมเราจึงหมดความสนใจเสียแล้วหมายเหตุผู้อ่านและในหลายกรณีคนทำชั่วและยังดูว่าได้ดีมีสุขนั้นแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ต้องได้รับแน่นอนคือกิเลสมากขึ้นหนาขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นผลที่เขาได้รับแล้ว และความทุกข์ใจนั้นให้ดูตามจริงว่าทรัพย์สมบัติเงินทองมากมาย ก, กายกองแค่ไหนก็ไม่อาจดับทุกข์ทางใจได้เลยอุ ป, ปมาข้อที่6เหตุผลหรือกิริยาปฏิกิริยานี้มีสองชั้นขอให้เราพิจารณาให้ดีเหตุผลสองชั้นที่กล่าวนี้คือเหตุผลชั้นธรรมดาสามัญ กับเหตุผลทางศิลธรรมเหตุผลชั้นธรรมดาสามัญ น, นั้นจะไม่คำนึงถึงหลักความชอบธรรมหรือไม่พอมีเหตุก็จะมีผลตามเรื่องของมันส่วนเหตุผลทางศิลธรรมนั้นเป็นชั้นที่สองคือการกระทำต่างๆนั้นถูกหรือผิดชั่วหรือดีผลดีผลร้ายยังจะเกิดตามมาได้อีกดังจะยกตัวอย่างให้เห็น ในกอรอบมาไฟเผาบ้านในขอเหตุผลชั้นธรรมดาสามัญก็คือเมื่อนำไฟไปจุดบ้านถ้าบ้านนั้นมีเชื้อไฟหรือเป็นเชื้อไฟก็จะติดลุกขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นบ้านของใครควรหรือไม่ควรผิดหรือชอบในกอไปขโมยเพชรมาจากบ้านในขอในขณะเจ้าของนอนหลับนำเพชรมาไว้ในบ้านของตน เหตุผลชั้นธรรมดาสามัญก็คือเมื่อหยิบเพชรมามันก็เคลื่อนที่ตามมือที่หยิบมามือนั้นพาไปวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นมันไม่มีการประท้วงว่าผิดศีลธรรมมันไม่คํานึงว่าเพชรนี้ของในขอถน้อมและห่วงแหนมันมากน้อยเท่าไหร่เราดูคนโกงที่ได้ดีตอนแรกๆก็เพราะเราดูเพียงแค่เหตุผลธรรมดาสามัญ ข, ข้อนี้ข้อเดียว เมื่อเขาโกงได้เงินมาเงินมันก็อยู่ในกระเป๋าเขาให้เขาใช้จ่ายได้แต่เหตุผลขั้นที่สองคือขั้นศีลธรรมที่ว่าการกระทําอย่างนั้นผิดหรือถูกชอบทำหรือไม่ยังจะมีตามมาอีกชั้นหนึ่งกล่าวคือในายกอที่ไปเผาบ้านในขอนั้นไม่ใช่เหตุผลระหว่างไฟเผาบ้านกับบ้านไม่ไฟจะหยุดอยู่เพียงนั้น เหตุผลขั้นต่อไปเกี่ยวกับศีลธรรมยังจะตามมาอีกว่าการทำเช่นนั้นควรหรือไม่ควรถ้าไม่ควรมีกฎหมายลงโทษไว้หรือเปล่าคราวนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะสืบจับในกอไปฟ้องร้องลงโทษเป็นเรื่องของเหตุผลทางศีลธรรมต่อไปแม้ในเรื่องที่ในกอไปขโมยเพชรในคอก็เช่นเดียวกันเหตุคือการขโมย ผลคือการได้มาเป็นเพียงเหตุผลขั้นแรกหรือธรรมดาสามัญแต่เหตุผลทางศิลธรรมขั้นที่สองที่ตำรวจจะสืบจับหรือนำตัวไปฟ้องร้องลงโทษยังมีอีกชั้นหนึ่งเราจึงควรดูให้ตลอดสายอย่าพึ่งมองสายสั้นอย่างเดียวอุปมาข้อที่7 ยังมีเหตุผลซ้อนระหว่างศีลธรรมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรจริงๆคือในกรณีที่การกระทํานั้นผิดศีลธรรมแต่เจ้าหน้าที่จับไม่ได้หรือไม่มีใครลงโทษได้เหตุผลมันก็ไม่ได้หยุดลงแค่นั้นมันคงตามเผาจิตใจของผู้ทําผิดให้หวาดระแวงเป็นวัวหลังหวาตลอดเวลาเห็นใครแต่งตัวคล้ายตํารวจเดินผ่านไปผ่านมาก็ให้นึกไปว่า เขาจะมาจับกลุ่มลงโทษหรือบางทีผลยังแสดงให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายเป็นพยานเป็นเครื่องเตือนใจอยู่ก็มีเป็นอันมากขอยกตัวอย่างทั้งที่ทปรากฏในเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นเรื่องบอกเล่าสืบกันมาและที่ได้เห็นเองคือเรื่องที่หนึ่งไฟไหม้บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งคนในบ้านใกล้เคียงตกใจคนของกันเป็นการใหญ่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 ชายผู้นี้นำมีดคู่มือไปด้วยในร้านจีนขายของใกล้ๆที่อยู่วันหนึ่งเกิดผิดใจกับคนอื่นคนที่ไม่พอใจจับจ้วงแทงถูกหัวใจล้มลงขาดใจตาย ใ, ายในลักษณะเดียวกับหมูที่ตนฆ่านั้นเรื่องนี้มีสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์คนหนึ่งที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเล่าให้ฟัง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 เรื่องนี้ท่านมหาผิววัดเทพสรินทราวาสซึ่งได้ย้ายไปอยู่วัดเซนาสนารามในภายหลังเป็นผู้เล่าว่าเป็นเรื่องจริงและเหตุผลก็น่าเชื่อว่าเป็นจริงเรื่องที่สี่จีนผู้หนึ่งมีอาชีพในทางเชืออไก่ไขายเวลาเช้าจะนำไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกสีสำหรับตักน้ำ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 เรื่องที่หกในครั้งพุทธกาลมีชายคนหนึ่งชื่อจุนทะเป็นคนข่าหมูขายเวลาไม่สบายคลานสีเท้าเหมือนหมูส่งเสียงร้องเหมือนหมูทรมานอยู่หลายวันจึงตายมีเรื่องปรากฏในอัทธกถาธรรมบทเรื่องที่7มีชายคนหนึ่งชื่ออิม เล่นขนเก่งแสดงเป็นตัวพระรามมีชื่อเสียงจนคนเรียกชื่อว่าอิมพระรามเป็นคนชอบชนไก่มากเวลาจะตายเอามือชนกันร้องปกพ่อปกพ่อจนมือเน่าแล้วในที่สุดก็ตายไปเหตุเกิดที่ตลาดรงหมูอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งท่านผู้เป็นที่เคารพของผู้เขียนได้เห็นเหตุการณ์มาเอง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 ภิกษุหนุ่มรูปนั้นถวายพระพรว่าล่าวเลยท่านไม่ได้บรรลุโลกุธรธรรมหรือธรรมวิเศษอะไรเลยพระราชาจึงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะได้ผ้าเนื้อดีภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่าท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารณียธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เนืองนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดเสมออะไรที่ดีที่สุด จะต้องตกมาถึงมือท่านพระราชาก็ทรงชื่นชมอนุโมทนาและตรัชมเชยภิกษุหนุ่มรูปนั้นแล้วหลีกไปเรื่องนี้ปรากฏในอัถกถาสารณิยธรรมสูตรเรื่องที่สิบผู้ชอบพอกับผู้เขียนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า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 ความรู้เรื่องกรรมส2องประเภทกลุ่มที่หนึ่งให้ผลตามการเวลาข้อที่หนึ่งิตธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ข้อที่สองอุปัชเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาติหน้า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 อุปปีละกากกรรมกา ร, รบีบคั้นหรือขัดขวางกรรมเดิมคอยเบียนชนกกรรมเช่นเดิมแต่งมาดีเบียนให้ชั่วเดิมแต่งมาชั่วเบียนให้ดี 8. อุปกาตกากรรมกรรตัดรอนเป็นกรรมพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเช่นเดิมสนกกรรมแต่งไว้ดีเลิศ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 ฝ่ายดีเช่นทำสมาธิจนได้ฌานฝ่ายชั่วเช่นทำอนันตริยกรรมมีฆ่ามารดาฆ่าบิดาเป็นต้นเป็นกรรมที่จะให้ผลโดยไม่มีกรรมอื่นมาขวางหรือมาสลับขั้นได้ส0พระหุลกรรมหรืออาจินนกรรมกรรมที่สะสมไว้มากๆเข้ากลายเป็นดินพอกหางหมู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 ความรู้เรื่องกรรมทำให้ไม่หมดหวังเรื่องกรรมสิบสองประเภทนี้เมื่อแบ่งออกเป็นสามหมวดแล้วในหมวดแรกที่ให้ผลตามการเวลานั้นก็เห็นชัดได้ว่ามีทั้งที่ให้ผลปัจจุบันทันตาเห็นที่ให้ผลในชาติต่อไปและในชาติต่อๆไปอีกกับประการสุดท้ายที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือยังไม่ให้ผลแต่หมดโอกาส จึงเป็นอันพับไปการแบ่งให้หมวดนี้ว่าให้ผลในชาตินี้และในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปนั้นถ้าจะอธิบายในสายสั้นก็อาจจะอธิบายได้ถึงการที่กรรมให้ผลในวันนี้ในวันรุ่งขึ้นและในวันต่อๆไปข้อสำคัญขอให้เข้าใจความหมายว่าที่จัดไว้อย่างนี้เพื่อให้รู้ว่ามีกรรมที่ให้ผลตามกาลเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งระยะใกล้และระยะไกลกับประการสุดท้ายที่เป็นอันเลิกแล้วกันไปในการเข้าใจเรื่องกรรมนี้ถ้าเทียบดูเรื่องบัญชีรายรับจ่ายก็ช่วยให้เข้าใจชัดขึ้นคนเราทำกรรมไว้ทั้งดีและชั่วจึงเท่ากับได้ขึ้นบัญชีรับจ่ายไว้บัญชีย่อมไม่จำกัดเพียงวันเดียวเดือนเดียวหรือปีเดียว ย่อมมีการยกยอดไปในวันเดือนปีอื่นๆและมีการตัดบัญชีหรือศูนย์หรือชำระหนี้เสร็จแล้วได้เหตุการณ์ที่เกิดแก่ชีวิตของเราในวันนี้อาจไม่ใช่เพราะการกระทำในชาตินี้อาจเป็นยอดยกมาแต่ชาติก่อนนอกจากนั้นด้วยหลักกรรมนี้พระพุทธศาสนาอาจอธิบายได้ถึงความไม่เหมือนกันแห่งชีวิตของแต่ละคนว่าไม่ใช่บังเอิญ แต่เป็นเพราะได้ประกอบกระทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ต่างกันจึงได้ประสบผลต่งตางต่างกันเรื่องนี้ทำให้มีหวังก็คือเราอาจบำเพ็ญคุณงามความดีในปัจจุบันเพื่อทำให้บัญชีของเราดีขึ้นยอดที่ยกไปก็จะได้ดีตามอันหนึ่งในกามหมวดที่สองที่ให้ผลตามหน้าที่นั้น เป็นการอธิบายให้เห็นว่ากา ร, รที่จัดสรรให้คนเกิดมาดีแล้วต่างกันนั้นมีใช่ว่าจะคงที่อยู่อย่างตายตัวยังมีกรรมอื่นซึ่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงมาคอยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นหรือใหเหลวยิ่งขึ้นรันแล้วก็มีกรรมประเภทขัดจังหวะคือควรจะดีมากทำให้ดีน้อยควรจะชั่วมากทำให้ชั่วน้อยเป็นกรรมฝ่ายค้าน ที่คอยหักล้างของเดิมอยู่ก็มีและยิ่งกว่านั้นก็มีกรรมข้อที่สในประเภทสองนี้อันเป็นกรรมที่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ชนิดกลับหน้ามือเป็นหลังมืออีกดีอยู่แล้วกลับทีเดียวลงเป็นขอทานหรือตายเลยเป็นขอทานอยู่กลับทีเดียวเป็นมหาเศรษฐีเลยหรือเป็นพระมหากษัตริย์เลยเป็นเรื่องของการหักบัญชีกันอย่างเห็นได้ชัดๆ เพราะฉะนั้นถ้าทราบว่าอาจเพิ่มบัญชีฝ่ายดีให้มากๆได้เพื่อให้ไปเป็นเครื่องขัดขวางกรรมเก่าที่ไม่ดีก็เท่ากับเรารู้จักวิธีสะดอเคราะห์ที่ถูกแบบที่สุดคือถ้าเกรงเหตุร้ายจะเกิดขึ้นก็ควรเร่งทําความดีให้มากขึ้นจะเป็นความดีในการช่วยชีวิตหรือช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือพยายามบําเพ็ญศีลธรรมคุณงามความดีให้มากๆเพื่อพยายามขัดขวางกรรมฝ่ายไม่ดี หรือผ่อนร้ายให้เบาบางลงผู้เขียนเคย อ, อธิบายเทียบด้วยน้ำกรดหรือยาพิษขนาดแรงที่อาจกินเข้าไปแล้วตายทันทีแต่ถ้าเติมน้ำให้เจือจางยาพิษหรือน้ำกรดนั้นก็ไม่ทำอันตรายหรือกลายเป็นยาย่อยอาหารไปผลร้ายของกา ร, รชั่วบางอย่างเทียบด้วยยาพิษหรือน้ำกรดถ้าเราทำความดีให้มากๆเข้า ความดีนั้นก็จะสร้างผลดีขึ้นมาคอยต้านทานหรือขัดจังหวะกรรมชั่วได้เหมือนกันคอยแทรกแซงไม่ให้โอกาสส่งผลสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เทียบกับคนที่ถูกตัดสินจำคุกห้าปีแต่อ้างความดีโน้นความดีนี่มาหักลบกลบเกลื่อนอาจจะเหลือเพียงสองปีแล้วรอการลงอาญาคือยังไม่ถึงกับติดคุกก็ได้ในทางชั่วก็เช่นกัน ผู้สร้างความชั่วต่างๆก็ชื่อว่าพยายามขัดขวางความเจริญของตัวเองหรือสร้างความร่วมโจมให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจึงไม่ค่อยตีโพยตีภายกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่จะรู้สึกเหมือนลูกหนี้ที่ยอมใช้หนี้อย่างไม่ปรีปากแล้วพยายามสร้างฐานะที่ดีขึ้นใหม่ผู้เขียนได้เคยพบท่านผู้หนึ่งซึ่งต้องโทษ โดยสารยังไม่ได้ระบุว่าทําความผิดยังอยู่ในระหว่างไตส่สวนแต่ในระหว่างไตส่สวนนั้นท่านผู้นั้นถูกขังอยู่เป็นเวลาหลายปีท่านผู้นั้นอธิบายได้ดีถึงกฎแห่งกรรมและเข้าใจว่าแม้ตนจะไม่ผิดแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องของการยกยอดบัญชีมาแต่ชาติก่อนทําให้หักห้ามใจไปได้และพยายามสร้างความดีขึ้นใหม่อีกต่อไป มาเหตุผู้อ่านคนที่ดูเหมือนว่าทําผิดกฎหมายทําความชั่วและยังร่ำรวยมีอํานาจอยู่นั้นก็ต้องเป็นเพราะบุญเก่าที่ทําไว้ในอดีตอย่างมากมายและเป็นกรรมชนิดที่ต้องให้ผลก่อนจึงยังให้ผลเป็นลาบยศสมบัติต่อเมื่อกรรมดีที่เคยทํานั้นหมดกําลังลงก็จะได้รับผลแตกต่างกันไปตามน้ำหนักกรรมที่แต่ละคนได้ทําไว้นะครับ ในหมวดที่สามที่แสดงถึงกรรมให้ผลตามความหนักเบานั้นมีข้อเตือนใจก็คืออย่าดูหมิน่นความดีความชั่วเล็กๆน้อยๆเพราะมันอาจจะพอกพูนเป็นของมากขึ้นเหมือนน้ำที่ระยวดเต็มตุ่มได้น้ำที่ระยวดซ้อหินให้เป็นร่องได้หรือรากไม้ที่เจริญทีละน้อยทีละน้อ ย, อยงัดหินให้แตกได้ และให้ใจเย็นในการประกอบคุณงามความดีคือเมื่ยังไม่เห็นผลอย่าพึ่งเอะอะโวยวายว่าทำดีไม่เห็นได้ดีความเข้มข้นของความดีอาจจะยังไม่พอก็ต้องรอเวลาไปก่อนเทียบด้วยการเรียนหนังสือเรียนเพียงวันสองวันจะให้อ่านหนังสือออกนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องรอความเข้มข้นของความรู้ทีละตัวสองตัวรวมกันมากเข้า ก็อ่านได้ออกไปเองดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นได้พระองค์ได้ประกอบคุณงามความดีสะสมไว้ยังไม่ท้อถอยตลอดเวลาที่ท่านพันานาว่าหลายอสงไขยชาติในที่สุดก็ได้ประสบความสมบูรณ์ได้ด้วยการไม่ทอดทิ้งความพยายามหรือไม่วางมือประกอบความดีเพราะท้อแท้ ตัวอย่างแห่งเหตุให้เกิดผลพระพุทธเจ้าทรงสแสดงทั้งเหตุที่ให้เกิดผลดีและเหตุที่ให้เกิดผลชั่วไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่อันอาจแยกได้เป็นข้อๆดังนี้เหตุผลฝ่ายชั่วหนึ่งมีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์สอง มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์ 3. มีผิวพันธ์ซามเพราะมา ก, กรดแค้นพยาบาท 4. มีสักต่ำเพราะมากริษยาอามีพภกทรัพย์น้อยเพราะมาเอือเฟื้อเจือจาน์ 6. เกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่รู้จักอ่อนน้อม 7. มีปัญญาสามเพราะไม่ไต่ถามหรือแสวงความรู้เหตุผลฝ่ายดี 1. มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ 2. มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ 3. ม, มีผิวพรรณดีเพราะไม่มาโกรธแค้นพยาบาทสี่ มีศักดิ์สูงเพราะไม่มักริสยา 5. มีพกษรัพย์มากเพราะเอื้อเฟื้อเจอจาน6เกิดในตระกูลสูงเพราะไม่กระด้างถือตัวรู้จักอ่อนน้อม 7. มีปัญญาดีเพราะรู้จักไต่ถามและสแสวงความรู้ตัวอย่างที่แสดงมานี้ เป็นเหตุผลทั้งฝ่ายอดีตและปัจจุบันทั้งเป็นตัวอย่างให้คนเข้าใจได้อย่างเกือบจะเรียกว่าโดยใช้สามัญสำนึกกฎแห่งกรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงถึงเหตุการณ์หลายอย่าง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 ชื่อบุนาลิกล่าวตูใส่ความพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าผู้มีนามว่าสุรพิผู้ไม่ประทุส ร, รายไรพระองค์เลยผลของกรรมนั้นทำให้เวียนว่ายในนรกได้รับทุกขเวทนาตลอดกาลนานในพระชาสุดท้ายจึงถูกนางสุนทรีใส่ความคือเมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนางสุนทรีได้รับสินจ้างจากผู้อื่น แกลงใส่ความพระองค์ว่าได้เสียกับนางขณะที่กำลังมีข่าวเลืออยู่นั้นผู้จ้างคือ น, นักบวชพวกเดรถีได้จ้างคนฆ่านางสุนทรีเพื่อจะให้ความชัดยิ่งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คนไปฆ่าเพื่อปิดปากภายหลังพระราชาใช้นักสืบไปสืบในร้านสุราจึงจับได้ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้างเราพวกนักเลนที่รับจ้างนั้นปากอยู่ไม่สุข ในที่สุดก็ได้ลงโทษทั้งนักเลงและเดียรถีฐานฆ่าคนตายเรื่องที่สองในชาติหนึ่งพระองค์ได้กล่าวตูใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้านามว่าสัพภาพิภูผู้มีนามว่า น, านันทะต้องตกนรกอยู่เป็นเวลานานในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้า ยังถูกนางจินจมานวิกาใส่ความแกล้งทำเป็นมีคันกับพระองค์โดยเอาไม้มาทาับที่ท้องแล้วเอาผ้าพันให้ดูเป็นมีคันจริงแต่เผอิญไม้หลุดตกลงมาจึงถูกประชาทันยังหนักเรื่องที่สมในชาติหนึ่งพระองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์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 ในคริสมาสฮัมฟรีนายกพุทธสมาคม London, คลอนดอนกล่าวว่าพระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาประเภทเทวนิยมที่ตรงนี้เองคือถือว่าคนเป็นผู้สร้างโชคดีโชคร้ายผลดีผลร้ายให้แก่ตนเองส่วนศาสนาประเภทเทวนิยมอ้างไปที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการสอนให้พึ่งตนให้ช่วยตนให้ประกอบประทําแต่ความดี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 กล่าวถึงเรื่องคนพึ่งตนเองตลอดจนการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วติดต่อกันมาโดยตลอดทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่าพระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างได้แก่อานิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตน ก็เมื่อพระพุทธศาสนาสอนปฏิเสธเรื่องตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้เหตุไฉนจึงมีคำสอนให้พึ่งตนเล่าจะมีขัดกันหรือตอบว่าไม่ขัดกันเพราะพระพุทธศาสนาสอนรับรองทั้งสมมุติทั้งปรามัตดสมมุติคือเรื่องที่ชาวโลกนัดหมายเรียกร้องกันอย่างไรก็รับรองตามนั้นปรามัด คือการค้นหาสาระหรือแกนความจริงไม่ติดอยู่เพียงแค่สมมุติขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าพระพุทธศาสนารับรองสมมุติและประมัติอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนใหรู้จักรับนับถือพี่น้องครูอาจารย์มารดาบิดาเพศหญิงเพศชายผู้ใหญ่ผู้น้อยและให้วางตัวได้เหมาะสมแกบุคคลนั้น ที่เรียกว่าปริสัญญุตารู้จักประชุมชนอุคลัญญุตารู้จักบุคคลเป็นการรับรองสมมุติแต่ในการสอนใจให้พิจารณารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายซึ่งจะทำให้รู้ทันตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงพระองค์ทรงสอนให้มองเห็นสัตว์บุคคลและสรรพสิ่งว่ามีสภาพอันเดียวกัน คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่ศักวะธาตุมารวมกันก็สมมติเป็นผู้นั้นผู้นี้เป็นคนเป็นสัตว์เมื่อแยกจากกันก็สมมติว่าตายเป็นกระบวนการเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะรู้จักใช้สมมุติ แลรู้จักใช้ปรมัิถูกเรื่องชาวโลกซึ่งคุณอยู่กับสมมุติก็ชอบว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างเหมาะสมแก่โลกให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขและในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมก็พิจารณารู้เท่าทันโลกไปในตัวไม่ติดโลกหรือหลงโลกจนเกินไปเรื่องอัตตาตัวตนก็ฉะนั้นชาวโลกเขาเรียกร้องกันอย่างนั้น พุทธศาสนาก็ไม่ขัดและยอมรับเอาถ้อยคำนั้นมาใช้เพื่อสอนให้รู้จักช่วยตนเองพึ่งตนเองและในขณะเดียวกันในธรรมชั้นสูงก็สอนให้รู้เท่านั้นว่าสิ่งที่สมมุติเรียกกันว่าสัตบุคคลตัวตนเราเขานั้นแท้จริงไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยเป็นเพียงกระบวนการปรุงแต่งการรวมตัวอันหนึ่งซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนความรู้อย่างนี้เป็นความรู้สองด้านคือสมมุติและประมัติหรือด้านนอกด้านในซึ่งไม่ขัดกันแต่อย่างใดจบเสียงงานหนังสือคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา อาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพอ่านโดยอริยคุณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นขอทุกท่านร่วมมนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้มุติตาจินากรปัญญากโกจันฮารุรไทยอภิวัฒนาเสวีชาวนนท์ทรงพลวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตจิราภรภัทรัสวรนนาคาร พวิยาวรศักดิ์สิริกุลกัญญนัททองบุญหรือไทยรัฐทิพเนตรณภพณพระวังสวัสดิครอบครัวสินสมบัติลัคนาจัญญาชัยเลิศพิมพ์สิริพักดีชาติปทิตาเชื้อทองรจนามนทาทิพกุลภัสราภรวิริยาปัญญาสุชาดาอินภูวาร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสองค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับ